ไปกรุงเทพมานะครับกรุงเทพมีทั้งสุภนิมิตปฏิขนิมิตนู้เยอะแยะไม่รู้ไออินทรีย์สังวรไปไหนหมดก็ไม่รู้ครับท่านอาจารย์ให้ไหว้หายไปไหนหมดก็ไม่รู้อินทรียา์าสังวเรเตลิดเปิดเปิงไปเลยมันคนละโลกเลยนะผมยืนอยู่ตรงผมยืนอยู่ตรงโรงแรมเอราวันนะตรงราชประสงค์ตรงนั้นนะ่ะแล้วผมมองไปนะ เดี๋ยวนี้มีรถไฟมีรถไฟฟ้าตึกรามบ้านช่องมีอะไรโอ้โหระเกะระกะเต็มไปหมดเลยนะเรามองดูชาวต่างประเทศเดินกันขวักไขว้นะคนไทยก็ขึ้นรถไฟฟ้านี่ต้องขึ้นบันไดเลยนะดูแล้วมันเป็นอีกโลกหนึ่งกับกับที่เรามานั่งเรียนกันนี่นะมันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องจริงๆนะมันเป็นโลกที่แตกต่างกันมากๆเลยนะก็ เราดูว่าจริงอย่างนี้หายากจริงที่สิ่งอย่างนี้หายากภาพอย่างนี้หายากแต่ภาพอย่างนั้นหาไม่ยากเท่าไหร่ในต่างประเทศในบ้านเมืองที่เจริญแล้วหาไม่ยากเท่าไหร่นะสลับซับซ้ อ, กอนกว่านั้นก็มีเยอะแอยะผมเดินทางไปคราวนี้ผมผมมีโอกาสแวะไปที่มันผ่านนะทางมันผ่าน ผ่านไปที่นครสวรรค์ก็เลยแวะดูที่เขาหนอนเป็นที่ดูข้างคาวขาออกหากินตอนเย็นเย็ น, นก็ห่างจากถนนสักสองกิโลนั่นเองนะตรงนั้นเป็นเป็นเขาเป็นเขาเป็นถ้ำเยอะตรงนั้นถ้ำใหญ่แล้วก็ข้างคาวหรือว่าสุภาณิมิตเกิดขึ้นแล้วแต่ว่า หาวิธีที่จะไม่ให้อกุกูสุรจิตเกิดนี่ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะท่านจะลองพูดเรื่องนี้ตั้งหน่อยไหมครับไม่ว่าท่านจะใช้แบบไหนครับเพราะว่ามันเป็นสัม ป, ปชัญญะอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าตามลักษณะที่เล่านี้มันเป็นปลายเหตุแล้วการเห็นการได้ยินนั้นๆเนี่ยในแต่ละอารมณ์มันเป็นปลายเหตุแล้วแสดงว่าก่อนที่จะเห็นก่อนที่ได้ยินนั้นๆเนี่ยเราไม่ได้กําหนดเลย นะศาสกะสัมปชัญญะไม่ได้มีตั้งกต่ต้นแลว่าในการก้าวไปในการถอยกลับเนี่ยนะคือไปไหนมาไหนเนี่ยเราไม่ได้คํานึงถึงศ า, า, าสกะสัมปชัญญะก่อนในทุกๆแห่งที่เราไปถ้าหากว่าศ า, า, าสตะสัมปชัญญะตั้งกต่ต้นอ่อนก็แสดงว่าเรานี้กิดที่ไปนะคือคือโดยการเจริญพระธรรมเนี่ยอ่อนและเพราะเราเราไม่ได้คํานึงถึงว่าเราไปอยู่ณนะตําแหน่งนั้นเนี่ยจะเป็นกุศลอะไรได้บ้าง จะได้รับประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วเราควรตั้งจิตอย่างไรเมื่อไปถึงจุดนั้นนั้นแล้วอันนี้นี่เป็นเป็นด่านแรกก่อนตั้งกะตายแล้วทีนี้พอไปถึงจุดนั้น น, นัปั๊บเนี่ยนะอุปนิสัยที่ตั้งไว้แต่เดิมเนี่ยก็จะมากระตุ้นเตืนอนอพอกระตุ้นเตือนปุ๊บก็จะเริ่มใส่ใจถึงพระธรรมเพราะว่ากุศ ล, ลจิตเนี่ยสมมุตินะอากุศลมันไปร่าบแบบนี้เลยกุศลมันโดดขึ้นมาอย่างนี้เลยมันก็มันไม่ใกล้กันเลยอ่ะ เพราะอกุศลกับกุศลนี่ไกลกันนะแล้วก็กุศลกับอกุศลก็ไกลกันต่างฝ่ายต่างไกลซึ่งกันและกันแล้วเวทนาบางทีก็ไกลกันนะถ้าโทสะนี่เป็นทุกขเวทนากุศลเป็นโสมนัสเวทนาเป็นอุเบขาเวทนานั้นโดยเวทนาก็ไกลกันเมื่อเวทนาเหล่านี้ไกลกันนั้นเราก็ต้องตั้งปรับตั้งกระต้นก่อนพอไปถึงณตำแหน่งนั้นๆปั๊บก็จะเริ่มได้ลว พอไปถึงมาตำแหน่งนั้นๆปั๊บเนี่ยนะทำให้เรานึกถึงพระธรรมคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งง่ายในการเจริญอินทรสังวรนั้นถ้าเรานึกถึงคำสอนเนี่ยนะไม่รู้จะสังวรอะไรนะเอาอะไรมาคิดอ่ะคือคือยังไงก็เห็นอยู่แล้วสมมติว่าเห็นเนี่ยเครื่องไมเนี่ยเห็นอยู่แล้วเนี่ยถ้าเรานึกพระธรรมคำสอนไม่ออกเนี่ย เ, เราจะเจริญอะไรต่อไปใช่อ่าถ้าหากว่าจะเจริญอายตนะบับพพระ มันก็ต้องนึกถึงคำสอนในส่วนนี้ว่าคาสอนในส่วนนี้กล่าวอย่างไรใช่หหรือถ้าหากว่าถ้าเราเห็นแล้วจิตเป็นอกุศลอกุศลมีโทษอย่างไรกุศลถ้าเกิดขึ้นแล้วดีอย่างไรถ้าจะเป็นอกุศลเป็นอกุศลได้กี่อย่างถ้าจะเป็นกุศลเป็นกุศลได้กี่อย่างเนี่ยต้องมาวิจัยพวกนี้จนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วจึงจะสามารถบริหารได้ เพราะความเข้าใจนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเขาเรียกว่าแทงตลอดด้วยดีด้วยที่ถีนี่นะการที่เราจะสามารถหยิบสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาแล้วปรารบเป็นธรรมะนะทุกแง่มุมก่อนนะทุกๆเรื่องที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเรื่องใดที่เราเคยเอาส่งเคราะห์พระธรรมลงแล้วนะจะตรึกไม่ยากยกตัวอย่างเช่นเห็นยาอย่างนี้เปเนี่ยจะนึกถึงเจริญพระธรรมไม่ยากเพราะถ้าเราประเจเวกบ่อยๆนะ ยกตัวอย่างสาธกะสัมประชานยาประโยชน์ของยาคืออะไรใช่ไหมก็จะมีพระวินัยแนะนําไว้เลยว่าหลักการพิจารณายาว่าเราพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงบริโภคเพศัพ์นี้ น, นะเภสัพ์ที่เราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนานนะเป็นอย่างยิ่งนั่นแหละเพื่อระงับโรคอันนี้คือสาธกะและประโยชน์ของยานี่คืออะไรใช่ไหมเสร็จแล้วท่านก็จะพิจารณาต่อไปโดยธาตุมนสิการเป็นต้น ยาก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคนบริโภคก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งยานี่เป็นธาตุอะไรได้บ้างนะโดยสีเป็นรูปประธาต์ใช่ไหมโดยกลิ่นเป็นคันธาตุโดยรสเป็นระสะาธาตุนะเมื่ออมไปแล้วเนี่ยนะโพธิภพธาตุก็จะมีแล้วตัวยาที่เข้าไปหล่อเลี้ยงเป็นธรรมธาตนะุโอชาเนี่ยนะโอชารสที่เข้าไปหล่อเลี้ยงไปรักษานั้นเป็น ธรรมธาตุแล้วบุคคลผู้ใช้ใช้ยาก็เป็นแต่ธาตุแล้วในตัวเราเป็นได้กี่ธาตุแล้วก็เริ่มตรึกสิ่งเหล่านี้ทั้งธาตุทั้งภายในภายนอกก็เป็นศักแต่ว่าธาตุธาตุภายนอกเป็นรูปธาตุธาตุภายในส่วนหนึ่งก็เป็นรูปธาตุมั้นรูปธาตุต่างรูปต่างไม่รู้อารมณ์ซึ่งกันและกันอาศัยรูปภายนอกกับรูปภายในนะวัตถุกับอารมณ์ประทบกันก็ทําให้มีมนุิการก็จะเป็นวิญญาณ วิญญาณธาตุก็จะเกิดต่อไปนะพอธาตุเหล่านี้เกิดขึ้นธาตุบางอย่างเป็นฝ่ายผลาธาตุบางอย่างเป็นฝ่ายเหตุนะก็จะต่อด้วยกรรมสกาตานะต่อด้วยปฏิจจสมุปบาทกรรมวัฏวิปากวัฏแล้วก็ต่อด้วยสาจาัจจะนะว่าอันนี้เป็นสัจจะอะไรถ้าไม่ถ้าพิจารณากับไม่พิจารณานั้นเป็นอย่างไรถ้าไม่พิจารณาอสาศะก็จะเกิดเมื่ออาศะากเกิดสมุทยัยสัจก็จะเกิดนะถ้าพิจารณา กุศลธรรมก็จะเกิดกุศลธรรมเหล่านี้เป็นอุปนิสัยเพื่อกุศลชั้นสูงๆต่อไปนะการเจริญกุศลก็เพื่อเป็นปัจจัยแก่กุศลต่อไปทีนี้ถ้าโดยน า, น า, น, านาขาคณิกกรรมมาปัจจัยเจตนากรรมที่เกิดจากการพิจารณาก็เป็นกุศลกุศลก็ให้ผลเป็นเป็นสุขละนะแล้วก็เอาเรื่องกรรมมาตรึกต่อไปก็ได้นะสามารถที่จะคิดได้ตั้งเยอะแยะไปหมดอันท่าเราเอาหนึ่งสิ่งมาตรึกก่อนนะแล้วไปเกี่ยวข้องกับทุกอย่างเลยนะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเกี่ยวข้องกับเพื่อนเนี่ยเราสามารถทํากุศลอะไรได้บ้างถ้าอากุศลจะเกิดอากุศลข้อไหนได้บ้างชีวิตของเรามีแค่สามทวารเท่านั้นแหละใช่ไหมกายวาจาและและใจเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนหนึ่งๆเนี่ยกายกรรมเราเป็นอย่างไรสามารถเป็นทั้งสุจริตและทุจริตได้ไหมถ้าเป็นทุจริตเป็นทุจริตอะไรถ้าเป็นสุจริตเป็นสุจริตอะไรเราก็ค่อยๆดึงพระธรรมที่เราศึกษาเนี่ยลงมาใส่ เมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลนี้จะเป็นวจีทุจริตได้ไหมถ้าเป็นวจีทุจริตมุสาวาจได้ไหมปิสุนาวาจาสัมผัสปลาปะนะพุะสวาจาได้ไหมถ้าเป็นสายกุศลจะเป็นได้ยังไงนะถ้าเป็นพูดคําศักด์จะเป็นยังไงพูดคําไม่อยากเป็นยังไงไม่ส่อเสียดเป็นยังไงพูดมีหลักมีฐานมีเหตุมีผลมีที่อ้างเองเป็นอย่างไรใช่ไหมถ้าจะเป็นมโนกรรมเนี่ยจะเป็นได้ยังไงเราก็สายใจแบบนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งนั้น่ะคำสอนตรักไปหมดเลยนะแต่ถ้าหากว่าเราอ่อนในการเจริญสาธากะสัมปชัญญะเป็นต้นเราก็จะไม่ค่อยนึกถึงโอวาทของพระ อ, องค์นะแสดงว่าเราไปเองไม่ได้เอาสารณะไปด้วย <laughs> มีสารณะเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะนั่นแหละันในใ น, นส่วนนั้ น, น, นจริงๆอ่ะคำสอนว่าอย่างไรนั่นแหละ เราสามารถเอาคําสอนนี่แหละค่อยๆ ข, ขี่ตามท่านทําให้เห็นความชาัดเจนอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติจึงไม่ใช่ธรรมังสาระานังฆาชามิแต่คําสอนนั้นเป็นธรรมังสาระานังฆาชามิคําสอนแนะนำเราว่าอย่างไรเราทําตามนั้นนั่นแหละแต่การกระทําตามนั้นของเราเนี่ยถามว่าบริบูรณ์หรือยังยังเพราะฉะยังเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ก็ต้องเจริญไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆตามที่พระธรรมนะตามที่แผนที่ท่านบอกกั่นท่านพระธทําคําสอนก็เป็นเหมือนกับแผนที่นั่นแหละ เดินตามไปนะเพราะขณะที่เรายัางเดินตามแผนที่เรามีเกาะมีที่พึ่งถ้าเราทิ้งแผนที่เมื่อไหร่เราไม่มีที่พึ่งแล้วลก็ใส่ใจอย่างนี้จนกว่าจะถึงฝั่งนะจนกว่าจะถึงฝั่งคือโลกุตระธรรมนั่นเราจึงจะมีสารณะที่สูงสุดจริงๆคือการเข้าถึงโลกุตระธรรมแล้วแต่ถ้าธรรมดาทั่วไปนี้ปริยัตเป็นที่พึ่งของเราพระปริยัตท่านว่ายอย่างไรคําสอนว่ายอย่างไรเพราะคําสอนเหล่านั้นคือ พุทธโอวาสผู้ที่จะตรึกถึงพุทธโอวาสเหล่านี้ได้ไบ่อยๆคนนั้นจะต้องรู้มีความเข้าใจในพุทธคุณเป็นอย่างดีพระพุทธเจ้าคือใครอั้นท่านในพระไตรปิฎกเนี่ยกล่าวบ่อยก็คือยกตัวอย่างว่าพระภิกษุที่ท่านเข้ามาบวชก่อนที่จะเข้ามาบวชเนี่ยจะยกว่าพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะตถาคตมีกี่ความหมายนะลองเปิดดูนะ น่าสุดท้ายเลยแปลความหมายเก่งมากเลยเนาะยังไม่ได้ดูเลยตอบได้แล้วอะไรบ้างน ะ, สะเสด็จมาอย่างนั้นสเสด็จไปอย่างนั้นมาสู่ลักษณะที่แท้จริง น, นะมีรายละเอียดแต่ว่าหัวข้อ น, นี้ควรจําให้ได้ก่อนน ะ, สะเสด็จมาอย่างนั้นสเสด็จไปอย่างนั้นสเสด็จมาสู่ลักษณะที่แท้จริงสเสด็จมาอย่างนั้นก็คือมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อ น, อนทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อ น, อนท่านมายังไงพระผู้มีพระภาคก็มาอย่างนั้นแหละ นะ ม, มาด้วยการบำเพ็ญบารมี1ิประการเป็นต้นเสด็จไปอย่างนั้นคือไปอย่างไรไปด้วยการละกิเลสเหมือนกันทั้งหมดไปด้วยโพธิปัจขิยธรรมทั้งหมดเหมือนกันนะเสด็จมาสู่ลักษณะที่จริงแท้สูลักษณะก็คือสู่ลักษณะแห่งอริยสัจนั่นเองนะและพระองค์ก็ทรงตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งธรรมะอันทองแท้ ข้อมาสู่ลักษณะที่ทองแท้ น, นะท่านอธิบายกว้างขวางคือลักษณะของขันธาตุอายตนะสัจจะอินทร์ปฏิจจสมุปบาทแต่ละอย่างนั้นมีลักษณะอย่างไรอย่างไรอย่างไรพระพุทธเจ้าแทงตลอดลักษณะเหล่านั้นทั้งหมดส่วนว่าตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งธรรมะอันทองแท้ก็ได้แก่ตรัสรู้อริยสัจนะอย่างทองแท้เสร็จแล้วเห็นธรรมะอันทองแท้ก็คือเห็นอารมณ์ทั้งหมดเลยเห็นอารมณ์เห็นรูปารมณ์ต่างประเภทหลากหลาย สิวาระห้าสอในอย่างเงี้ยมีความมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสีเรื่องเสียงเรื่องกลิน่นเรื่องรสเรื่องโพธาภะเรื่องธรรมารมเนี่ยนะก็มีรายละเอียดพระองค์เห็นธรรมะทั้งหมดเหล่านั้นเลี่องเลยไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นและพระองค์มีพระดํารัสอันของแท้ตลอดระยะเวลา 45, สี่สิไม่ผิดเท่าปลายเข็มใช่ไหมแล้วก็พออาจว่าทรงกะระทําอย่างนั้นก็คือทําเหมือนอย่างที่ตรัสตรัสเหมือนอย่างที่ ที่ทำยะถาวะทีตถาการีแล้วก็สุดท้ายก็ครอบงมสัตว์ทั้งหลายคือพระองค์นี้โดยพระคุณต่างๆมีศีลคุณเป็นต้นไม่มีสัตว์ใดที่จะยิ่งกว่าพระองค์นะเพราะฉะนั้นพระตถาคตเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ใช่ไหมอรหังหน้าแรกนั่นแหละเปิดหน้าแรกนู้นอรหังพระองค์เป็นพระอรหันนะหน้าแรกเลยว่าใากล้จะเป็นผู้ใกล้จากกิเลสทํำลายฆ่าศึกคือกิเลส หากเซ่กามแห่งสังสารจัจรเป็นผู้ควรไม่มีความลับในการกระทำบาปไกลจากคนมีปัญญาสามใกล้ต่อคนมีปัญญาผู้เป็นมินยูชนธรรมะทั้งหมดเล่านี้คือพระอระหังนะอระหังนี้ไม่ใช่อรหังธรรมดาเป็นอรหันต์แบบสามมาสามพุทโธนะตรัสรู้สรรพสิ่งทั้งหมดด้วยตัวเองนะแต่อย่าลืมนะว่าที่จะมาตรัสรู้ได้ต้องนึกถึงคาว่าตถาคตก่อน พระองค์เสด็จมาอย่างนั้นก็คือบำเพ็ญบารมีมาจนเต็มเปี่ยมแล้วจึง เ, เป็นพระอารหันและตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วสัมมาสัมพุโทโธของพระองค์นั้นน่ะมีวิชาและจรณะใช่ก็ในหัวข้อจรณ ะ, ะวิชาจารณะสามปันโนเป็นสัมมาสัมพุโทโธที่มีวิชาและจรณะวิชา8วิชาสามจรณะบหนี่แน่แล้วพระองค์นั้นเป็นสุขโต เป็นผู้เสด็จไปดีแล้วนะความหมายว่าไปดีแล้วเนี่ยไปอย่างไรแล้วก็พระองค์นั้นเป็นโลกกวิทูรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างทลุโ ป, ปรง่งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่รู้นะสามารถแบ่งโลกโดยประเภทโดยประการต่างๆนะอย่างหน้าก้านนี้พูดถึงสัตวตวัโลกใช่ไหมสัตวตะวัโลกสัตว์กที่นี้ก็คือพวกเรานั่นแหละนะ อาศัยะคืออาสยะเนี่ยนะแนวความคิดของเราทั้งหลายเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้ามองออกหมดเลยนะอาศัยะก็คือเรื่องทิฏฐิและยะถาภูตยาน่ะน ะ, ะทิฏฐิก็คือแนวความคิดนั่นเองว่าใครมีแนวความคิดยังไงเนะี่ยพระองค์เนี่ยมองเห็นหมดเกลี้ยงเลยนะว่าอนุใส่เนี่ยนะกิเลสที่ยังละไม่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างพระองค์ก็มองออกจริตจริตก็คือความประพฤติอะทางกายทางวาจาดีหรือช่วยยังไงก็มองออกหมด อธิมุตอัธยาสัยเราเป็นยังไงไยดีหรือไยสูงไยต่ำไยขนาดไหนพระ อ, องค์ก็มองมองออกทั้งหมดนะมีทุลีคือกิเลสในดวงตาเนี่ยมากหรือน้ยอยพระองค์ก็มองเห็นหมดเลยอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าพระ อ, องค์นั้นโลกวิทูนะแล้วก็เป็นพระอนุตตระอนุตรโรไม่มีใครยิ่งกว่าโดยศีละคุณเป็นต้นนะ องไม่มีใครยิ่งกว่าโดยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะและปุริสธรรมสารสาติตรงนี้เป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่านะฝึกอย่างไรแล้วก็ศึกษาไปแล้วก็พระองค์นั้นเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์นั้นเป็นพระสยามภูเรียกว่าพุโทโธเนี่ยนะเพราะเป็นสยามภูไม่มีครูไม่มีอาจารย์ ตรัสรู้สัตย์จะ ด, ด้วยพระองค์เองนะและก็พักวาร์คหมายของคำว่าพักวาเราแปลว่าจําแนกแจกแจงพระธรรมแต่ความหมายจริงๆแล้วมากกว่านั้นเยอะนะคำว่าแจกแจงพระธรรมนี้ก็คือในข้อ4ของความหมายคําว่าพักวาเท่านั้นเองความหมายในที่4เอามาข้อเดียวแปลข้อเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะแปลความหมายให้ครบของพักาวานี้ก็แปลได้สิกว่าความหมาย เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจึงแปลทับศักด์พระผู้มีพระภาคไปเลยพระกวาก็คือพระผู้มีพระภาคคือพระองค์ผู้มีโชคผู้มีส่วนอย่างเงี้ยคำว่าไปผู้มีพระคธรรมซึ่งมีความหมายอีกมากเพราะฉะนั้นพระตถาคตเจ้าเนี่ยนะซึ่งมีคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะพระผู้มีพระภาคมีคุณธรรมอย่างนี้เสร็จแล้วพระองค์นี้ทาโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรเนี่ยรู้แจ้งหมดสิน้นแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศ ทรงประกาศประกาศแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคหรหบดีนะครหาบดีก็คื อ, อถือพูดคนฐานะทั่วไปเนี่ยนะครหาบดีเป็นต้นเนี่ยนะก็มีศรัทธาเพราะได้ฟังคำสอนเหล่านั้นก็ถึงกับออกบวชใช่ไหมพอออกบวชแล้วจะเริ่มเห็นลำดับแล้วพอออกบวชแล้วก็มามีศีลสิกขานะ มีอธิจิตตศิกขาเป็นต้นแล้วก็มีอธิปัญญาศิกขาเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติของท่านก็คือปฏิบัติตามหลักจารณะสิบห้าเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาในพระตถาคตเนี่ยจึงมีความสําคัญที่สุดเลยเมื่อมีตถาคตโพธิศรัทธาเห็นพระพระองค์นี้มีพระคุณความดีมากมายขนาดนี้อันโอวาทของพระองค์นี้ควรจดจําควรมาปฏิบัติตามลักษณะนั้นเลยเรียกว่ามีพระธรรมเป็นสารนะ ผู้ผู้ที่มีคุณธรรมขนาดนี้เนี่ยพระองค์พูดคำใดโอวาทนั้นควรเอามาสไว้ในภาชนะคือใจของเราควรที่เราจะปฏิบัติตามอันผู้ที่สามารถปฏิบัติเข้าถึงผลอย่างสูงสุดนั้นก็คือพระพระสงฆ์อันอชีวิตของเราธรรมดาทั่วไปนั้นจึงมีถ้าจะว่ามีพระธรรมเป็นสาระก็คือเนื่อถึงผู้มีคุณธรรมแบบนี้เนี่ยท่านแนะนำเราไว้อย่างไร เราก็จะเริ่มใส่ใจก็เริ่มคิดตามท่านจะเริ่ตามท่านไปเรื่อยๆนะเราก็จะเริ่มมีความทราบซึ่งในพระคุณมากขึ้นนะอย่าลืมว่าโสดาปฏิยังฆ่าธรรมนั้นการศึกษาการปฏิบัติครั้งแรกก็ต้องไม่รับใช่ไหมต้องโสดาบันก่อนใช่จึงจะเป็นพระสกทาคามีนาคามีและอรหรันนะโสดาปฏิยังฆ่าธรรมนั้นอาศัยศรัทธานะนะอาศัยศรัทธาทาให้เกิดการ เข้าไปหานั่งใกล้เงี่ยโสดลงสดับทรงจําพระธรรมเอาไว้นะจนถึงกระทรงจําแล้วก็ตรึกตามพิจารณาตามธรรมะเหล่านั้นเป็นสัจจะจะควรต่อการเพ่งควรต่อการคิดควรต่อการตรึกเมื่อเห็นเพ่งตรึกมากๆเข้านะก็จะทําให้เกิดความเพียรพยายาม mm hmm. เพื่อทําให้เข้าถึงธรรมะที่ยังไม่เข้าถึงนะจนถึงกระสามบางท่านก็ถึงกับสมาทานว่ถาถ้าไม่ตรัสรู้จะไม่ลุกเป็นต้นนั่นเองเพราะท่านมีความเข้าใจในธรรมะ เหล่านั้นอย่างอย่างแท้จริงแล้วเชื่อว่าธรรมะเหล่านี้นั้นช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ได้พื้นฐานการศึกษาพระธรรมนั้นลึกซึ้งหรือไม่อยู่ที่ว่าเราเข้าใจพระัระตรายเท่าไรถ้ามีความทราบซึ้งในพุทธคุณมากจะเห็นคุณค่าของพระธรรมคุณแล้วจะเห็นความโชคดีของพระสงฆ์ที่ท่านได้ปฏิบัติตามนั้นนะนะคำว่าสอ์คือใครนะ ผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นนะว่าผู้ที่ปฏิบัติดีเหล่านั้นเนี่ยท่านโชคดีจริงๆ น, นะท่านได้ขุมทรัพย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานให้นะแล้วเราเนี่ยได้มาศึกษาได้ปฏิบัติตามท่านนี่คือทรัพย์ของเราเริ่มเราเริ่มมีทรัพย์แล้วนะทรัพย์อันดับแรกของเราคือศรัทธานะทรัพย์คือศรัทธานี้อาศัยศรัทธามากหรือน้อยก็แล้วแต่ทรัพย์คือสุตะถ้าเรามีทรัพย์คือสุตตะมากเราก็จะมีทรัพย์คือศรัทธามาก เมือ่อทซั์คือสรัทธามากทรัพย์คือหิเรโอตาปะเราก็จะมากขึ้นนะพวกนี้เป็นทรัพย์เลยหิเรโอตาปะมากขึ้นก็จกะระพามากขึ้นปัญญาเราก็จะมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นอริยทรัพย์เมื่ออริยทรัพย์เหล่านี้เกิดขึ้นมาก เ, าเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ชีวิตเราก็ไม่เป็นมันแล้วนะเราไปที่ไหนชีวิตเราจะไม่เหงาไม่อะไรแล้วเราจะมองเห็นตามองเห็นสีเหมือนเดิมเมื่อก่อนไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็มองเห็นอย่างนี้แหละศึกษาพระธรรมก็ยังเห็นเหมือนเดิม แต่ความคิดไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนเห็นด้วยอำนาจของอกุศลแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นตามสิกขาสาเพราะมีอธิศีละสิกขาบอกเลยว่าควรเห็นยังไงจึงจะเชื่อว่าเห็นด้วยปาติโมกสังวรเห็นอย่างไรจึงจะเชื่อว่าเห็นด้วยอินรีสังวรเห็นอย่างไรเชื่อว่าเห็นด้วยปัจจยสานิสิตาสินใช่ก็จะเริ่มเห็นตามนั้นเห็นอย่างไรเป็นสมถะเห็นอย่างไรเป็นวิปัสสนาก็ด้วยอธิจิตตสิกขา อธิปัญญาศิกขาก็จะตามนั้นมางั้นชีวิตของผู้ที่มีศิกขาแบบนี้เรียกว่าชีวิตของผู้ที่มีสังวรนะดังนั้นสังวรเหล่านี้นี่แหละก็จะทําให้ความเป็นกาลยาณปุตุชนเราบริบูรณ์เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระเสขะนะถ้าเรามีคุณธรรมเหล่านี้มากพอกพูนจนถึงสามารถมองเห็นฝั่งได้เราก็เป็นพระเสขะและ เป็นพระโสดาบันเห็นฝั่งพระ้งนี้ผานครั้งแรกเรียกว่าเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นท่านท่านอุปมาเหมือนกับคนเรียโผล่จากน้ำแล้วมองเห็นฝั่งพระสกะทาคามีนี้กําลังว่า้อยู่พระอนาคามีเนี่ยนะก็เกือบถึงฝั่งแล้วคือเหยียบพื้นที่ติดฝั่งแล้วนะเท่ากับเหยียบพื้นและพารหารขึ้นบนบกเป็นพระปุตุชนนี่อยู่ใต้น้ําจะโผล่ได้หรือไม่ก็แล้วแต่ว่าจับเชือกแน่นขนาดไหนนะ สารณะพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือนกับเชือกเป็นต้นนั่นเองทำให้เรานั้นสา ม, มารถที่จะดึงเราให้ใหพ้นจากสังสารทุกนั้นแต่ถ้าหากว่าเราปฏิเสธพระคุณของพระองค์ตั้งกระต้นแล้วถ้าปฏิเสธพระคุณตั้งกับกต้นแล้วก็เป็นโลกที่บอดต่อไปชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่บอดเรามีตามองเห็นสีแต่ไม่เคยเห็นอริยสัจน ะ, ะโทษภัยของการไม่เห็นอริยสัจก็ยกตัวอย่างเหมือนกับครั้งคราวเมื่อกี้ใช่ ว่ามีโทษไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะมีอัธยาาในพระธรรมคำสอนคนนั้นต้องเห็นภายในโลกและประโลกพอสมควรนะจึงจะคำนึงว่าพระองค์นี้มีพระคุณจริงๆแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นภายในประโลกเลยนะก็ดูเหมือนว่าจะอยู่อย่างนี้ได้ไดไดตลอดไปถ้าอย่างนี้ก็ลาบากหน่อยถ้าอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ไม่โปรดละก็ <c oughs> คือไม่รู้จะโปรดว่ายังไงอ่ะเนาะ <c oughs> ยังไงพระธรรมก็ต้องไปประดิษฐานอยู่ในใจ แต่ถ้าใจเขาไม่พร้อมที่จะยอมรับพระธรรมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็เป็นแต่เพียงคนบอกทางเท่านั้นเองนั่นหละก็ลองเอาไปท่องดูนะแล้วท่านจะมีกำลังใจเยอะเลยไม่ต้องไปท่องหมดนี่นะอย่าไปรีบท่องเอาแค่หัวข้อต้นๆสักนคำมาอารหังนี้เอาไปสักห้าหกหัวข้อก่อนนะ อกอติสังเกตดูนะก็เ น, น้นตัวดําๆให้แล้วก็จําเท่านั้นแหละที่เหลือก็อ่านประกอบบ่อยๆก็จะไปถึงก็ไปท่องจนนั่นนะแต่ต้องทําได้เพราะว่าผมอายุปูนี้แล้วผมยังทําได้นะเนี่ยแต่ก่อนนี้ผมก็ไม่นึกว่าผมจะทําได้นะก็การที่มาเรียนธรรมะเมื่อมีอายุมากแล้วนี่มันก็เจียบเปรียบหน่อยแต่อีกนานนะครับอีกสักยี่สิบปีผมอาจจะมันหนุ่มใหม่ก็ได้ไม่แน่ครับ แต่ก่อนนี้นะเราความจํามิโอโตอนเด็กๆตอนหนุ่มๆ น, นะโมโ ห, โโหเราจําสบายมากเลยเรื่องอย่างนี้สบายถ้า แ, แค่นี้เองอะนะหเห็นเล่มท่านี้สบายเลยนะบายขวานบินไปครึ่งแล้วแล้วเราคิดทุกท่านเราเรียนธรรมะนะถ้าเราเรียนธรรมะนะ เ, ร เ, รเรียนปริญญาเนี่ยเรียนไปเรื่อยทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะดูๆแล้วว่าเราได้อะไรเนีย งั้เอ๊ะเรียนไปก็ลืมไปเรียนไปก็ทิ้งไปเรียนไปนะนอ๊ะเราได้อะไรเนี่ยนะดูๆแล้วมันได้แต่เอ๊จริงๆมันได้อะไรเนี่ยแต่ถ้าถ้าเราท่องให้ได้สักส่วนหนึ่งนะท่องให้ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่าคิดว่าได้เท่านั้นนะมันได้เยอะเลยนะมันได้ไม่น้อยเลยถึงว่าถ้าเราได้มาสักสีห้าหัวข้อนะแต่ละหัวข้อมันก็จะเกี่ยวโยงกับธรรมะอื่นๆเนี่ยมากเลยทําให้เรานึกถึงธรรมะข้ออื่นนี่ได้เยอะแยะ นั่นแหละนั่นแหละจะทําให้เราได้จริงๆได้อย่างนั้นน่ะจริงๆติดตัวไปถ้าเราเรียนไปแล้วก็เรียไปเรียนไปเหมือนก็ไม่ได้เรียนนะแล้วก็มาดูใหม่ก็เอามาเจอใหม่จริงครับเหมือนก็ไม่ได้อะไรจริงๆครับนะแล้วก็ผมเห็นประโยชน์มากต่อไปนี้ถ้าหากว่าท่านอยู่คนเดียวนะท่านก็ไม่เหงาแล้วเพราะว่าท่านมีเพื่อนแล้วท่านตึกได้ตามหัวข้อนี้นะ ผมรอคุณนายแต่งตัวผมก็สบายแล้วเดี๋ยวนี้นะผมไม่กระสับกระส่ายแล้วนะนะผมก็ไม่กระสับกระส่ายเลยนะไกลจากกิเลสไงเ ง, งนะลายข้าสึกคือกิเลส่ไนะสมควรแก่ปจัจจัยสี่ไม่ทำบาปในที่รับทำลายสังสารจกรลายซีกรรมแห่งสังสารจักรอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็ตึกเราไปเลยโอ้ได้ไประโยชน์มากนะ แทนที่จะจิตเป็นกุศลก็เป็นกุศลเรา <Okay. S 2> เห็นว่าถ้าเราตึกตามนี้นะใจเราเนี่ยนะมันไม่เต้นแรงนะแต่ถ้ารอเฮ่อมาละเจริญสักทีอย่เนาะโอ้เ ต, เต้นเต้นแรงปึกปักปึกปิกปั ก, ป ก, ป ก, ป ก, ปกพอไอ้คนอื่นเขาเต้นไปเลย <c oughs> แต่ถ้ามีอย่างนี้โอ้สบาทเป็นเพื่อนอย่างดีเลยเป็นเพื่อนอย่างดีเลยใช่ถ้าหากว่าผู้ที่ทรงจําได้บ่อยๆนะ <c oughs> แล้วก็เอามานึกบ่อยๆเนี่ยนะชีวิตเหมือนกับว่าเอ้อเรามีสารณะจริงๆ เมื่อก่อนนี้เราไม่รู้ว่าพิ่งอะไรอยู่เป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะเงาเงายัางไงไม่รู้ของปรมานี้เห็นชัดมากเมื่อก่อนมันเป็นโรคซึมๆอยู่หน่อยอยู่แล้วมันเงาอย่างไงบอกไม่ถูกเก็คือมันมันเห็นอยู่แล้วเอ๊มาเห็นแค่นี้เหรอได้ยินโอ้ได้ยินแค่นี้เลยมันน่าเบื่อไม่มีอะไรเลยมาได้ยินแค่นี้เกิดมาเพื่อมาหาได้ยินแค่นี้เหรอ กำลังนึกนะมาเห็นแค่เนี้ยแหรอไม่มันมันทุกข์มาอเกินหนึ่งกันแต่ถ้าอย่างนี้เราได้พระธรรมเนี่ยนะทำให้เราเช่นตรึกถึงพุทธคุณอย่พระพุทธเจ้าเป็นผ้าอรหันต์พระองค์ไกลาจากกิเลสถ้าเรามีกิเลสจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าทําไมท่านจึงไม่มีกิเลสนะแล้วก็ค่อยๆนึกไปนึกไปอันเธอถ้าหากว่าเมื่อก่อนนี้เราก็คิดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ความคิดเราไม่มีระบบอะไร แล้วก็เราไปคิดถึงบุคคลที่ไม่ควรคิดสัดส่วนใหญ่นะไปคิดถึงคนที่ไม่ใช่อนุสติ น, นะเสร็จแล้วทําไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นอ่าปฏิฆะนิมิตก็จะตามมาเขาไม่ได้ดีจริงๆควรที่เราจะไปคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าท่านมีพระคุณดีจริงๆนั้นคือจะเนิร์ไปยังไงก็หาช่องตําหนิพระองค์ไม่ได้นะแล้วในขณะเดียวกันก็ศรัทธาเราจะมากขึ้น แต่แต่ทุกบทนะถ้าสังเกตดูนะทุกๆบทนั้นอนะ่ะเกี่ยวข้องกับอริยสัจหมดเลยเมื่อเกี่ยวข้องกับอริยสัจหมดเลยเนี่ยเรานึกแบบนี้บ่อยๆจะทําให้เราโง่ไหมงมงายหรือเปล่าออกมาเนี่ถามประจำเลยนะงมงายหรือเปล่าที่ทําทําไปทไํมาล่ะจบเมื่อไหร่จบยังไงนะถามเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยมากนะเพื่อที่เราจะได้กําหนดทิศทางให้มันถูกว่าชีวิตของเราเนี่ยเราทําไปทําไมทําไปเพื่ออะไร มันจบที่ไหนจบยังไงนะก็คิดดูนะค้าขายเขายังมีโขบกระดาษแบบฟอร์มปีนี้ลงทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่กี่บาทกี่สตังก์เขาก็ตอบได้หมดใช่ไหมนะเดินทางเนี่ยว่าผู้การเข้ากรุงเทพออกกรุงเทพเนี่ยมาสมมุติถ้าอยู่แถวนครสวรรค์กำหนดได้เลยเชียงใหม่อีกกี่กิโลถึงนะเดินทางมาได้กี่กิโลแล้วใช้ทุนไปเท่าไหร่น้ํามันเลยอีกเท่าไหร่ใช้ใช้จ่ายยังไงจึงจะไปถึงที่หมายได้การเดินทางแบบโลกโลกเราก็สามารถกําหนดได้หมดเลย เครื่องบินเป็นต้นเขาก็กําหนดได้หมดเลยแต่ความคิดของเราเนี่ยเรากําหนดเพื่ออะไรเราจะไปไหนในในโลกของความคิดของเรานีอาหารก็ทานมานะถ้าเราลั่งเคยนับดูนะเกิดมากี่ปีวันละสามมือเนี่ยสามมือคูณเข้าไปตามวันตามวันก็มาคูณเดือนคูณเดือนก็เป็นคูณปีหลายๆสิบปีเข้าเคยเบื่อหรือเปล่าทานอาหารนั่นแหละหายใจเข้าวันหนึ่งไม่รู้หายกี่ชั่วโมงแล้วนะหายว่างหลายครั้งนะบวกลบคูณหารมาหายจนไม่หายแล้ว จนจะหายไปจากโลกแล้วนั่นแหละแล้วก็หายชีวิตมันน่าเบื่อมั้งกันนะแต่ว่าสิ่งที่เราหน้าคิดอีกอย่างหนึ่งว่าไอชีวิตที่ผ่านมามีเจตนากรรมอยู่ด้วยเจตนากรรมจะพาเราไปไหนลนะ่ะตามสมควรแก่ความคิดของเราแล้วเราจะปล่อยความคิดแบบนี้ไปอีกเหรอเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งเั็นชีวิตของคนที่ไม่มีสาระไม่มีที่พึง่งอยู่เป็นทุกข์จริงๆเห็นไ้ ไทราบว่าท่านอาจารย์ได้เตรียมให้หลักฐานให้เราคือพระถ้าวจะตึกเนี่เนะมื่อเราเราได้ทราบหัวข้อแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราไปเข้าใจพระสูตรที่ตรงกับหัวข้อนั้นนี่นะฮะก็จะทำให้เราเนี่ยตึกได้มากขึ้นทราบซึ่งขึ้นก็ไม่ทราบว่าหลักฐานต่อไปที่มีรายละเอียดท่านอาจารย์ใส่ที่มาด้วยใส่มาที่มาที่ไปด้วยเฉพาะฉ บ, บับนีตัดที่มาออกมาเลย ที่มาที่ไปมาเห็นโอนะมจะรกจักนั่นแหละเอา อ, อกก่อนก็ยิ่งดนะีใหญ่ครับใช่ไหมให้ให้ไปจำก่อนเดี๋ยวฉบับหน้าก็จะสมบูรณ์นะสมบูรณ์แล้วก็จะใส่หลักฐานอ้างอิงให้หมดเลยนะว่าควรจะไปหาที่ไหนค้นคว้าอย่างไรนะเพราะว่าทั้งหมดที่ทํานี้ไม่มีคําของเราอยู่ในนั้นสักคําเลยนะเพียงแต่ว่าตัดต่อตัดต่อมาเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นนะ ทำลาเรานี่ไปที่ไหนนะใครบอกเออนี่ผิดนี่อ๋อไม่รู้นะพ่อมาจากพระไตรปิฎกเป็นคําพูดเลยผมยังไม่เห็นมีเป็นคําพูดของท่านอาจารย์สักคำเลยเนี่ยเราที่ท่านตัดมาจากส่วนนู้นส่วนนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าของอามาเองที่ทําก็ทําแบบนักเรียนด้วยเพราะว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้ของเราก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาการทำคําสอนอีกเพราะฉะนั้นทําอย่างนี้ก็ศึกษาร่วมกันเรียนร่วมกันไป น, น, นะเพราะฉะนั้นเรามีอาจารย์องค์เดียวกันนะสิสภาวูปคจมณะว่าไงนะมีอะไรเป็นสารณะข้อที่สามก็คือสิสะพาวูปคจมณะใช่ไหมขอถึงพระรัตนตรายเป็นเป็นอาจารย์เราเนี่ยขอเป็นสิทธิ์ท่านนะท่านว่าไงก็จะว่าตามนั้นแหละนะก็บอกว่าโอ้ตอนนี้ท่านเกาะปริยัตแม่นเลยโอ้แสดงว่าโอ้เขามองเราว่าเรามีสาระแล้วเมื่อก่อนไม่มีเลยมก่อนว่าเอาเองทั้งนั้นแหละ วาแล้วก็ผิดผิดทุกๆส่วนใหญ่ผิดซะด้วยนั่นแหละถ้าไม่ได้ค้นคว้าก่อนนะเมื่อวานยอมม่วนก่อนโยอมเข้าไปถามเรื่องอนนะรูปหมวดเจ็ดอารูปอารมูปหมวดเจ็อย่างนี้เราก็นึกไม่ออกสักคํำแต่ก็นึกถึงเออเวทนาเจ็สัญญาเจ็ดเจตนาเจดเนี่ยใจแล้วก็นึกอย่างนี้และเสร็จแล้วบอกว่าขอมาไม่กล้าหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหลักฐานก่อนเดี๋ยวจะมาบอกวันหลังนะพอไปดูในที่เราเดานี่ไม่ถูกสักคําเลยใช่ไหม พราะว่ารูปหมวดเจ็นี่นะแปลเป็นบาลีว่ารูปสัตตกะอรูปสัตตกะมีอยู่ในสัมมสาสัญาโน้นนั่นแหละที่เราคิดสัญญาเจ็เวทนาเจ็ไม่ถูกเลยเพราะตั้งกันนี้มาเลิกเดาแล้ว <c oughs> นะครับต่อไปบอกไม่รู้ก็ไม่รู้นี่แหละง่ายดีนั่นแหละถ้าตรงไหนพูดผิดก็จะกลับมาแก้ใหม่นั่นแหละเรจะว่าไปอย่างนี้ทําแบบนักเรียนทำํำละเพราะว่าวิชาธรรมะเนี่ยเป็นวิชาที่คนกล้า ก, กะซะส่วนใหญ่ คือถ้ากะเนี่ยนะถ้าถูกแล้วก็ค่อยยังชั่วไปแต่ส่วนใหญ่ก็กะเมื่อไหร่ก็ผิดทุกทีนึกที่มาที่ไปไม่ได้ก็กะคิดดูนะว่าพระองค์นี้บำเพ็ญบารมีมาสีอสงไขยแสนกับบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เรามานั่งกะของท่านอย่างเดียวใช้วิชากะนะดีนะถ้าขายทองแล้วนั่งกะขายกะน่าจะสองขีดขายเลยเช้านี้กลับมาถึงบ้านเจอคุณจอุ่ม คุณเจอ้อุมยืนชะงอมานี่เลยแม่มาวันนี้ที่เรียกที่สันพูดเนี่ยเอาไปถามท่านเ น, เนี่ยเอาไปถามท่านเนี่ยบอกท่านไม่รู้ท่านก็บอกไม่รู้นะท่านไปหามาค้นมาแล้วโอ้ท่านคุณจะอุ่มกลับไปคนอ่านในรายละเอียดนะก็เป็นคนที่รวดเร็วมากนะก็เรียนรู้เร็วมากเลยนะคุณจะอุ่มนี่นะคนวัย World มากเลยว่าก็ได้ไประโยชน์มากเลยมาเช้านี้คุยกันอยู่ตั้งนาน นันลองมาดูหน้าสิบสี่ต่อจากครั้งที่แล้วนะ <c oughs> เรื่องของการเจริญพรหมิหารส่วนใหญ่แล้วข้อความที่ยกมาเนี่ยทำให้เห็นที่ที่ผู้การกล่าวว่าทำอย่างไรใจจึงจะได้ไม่ปรารบสิ่งนั้ น, น, นเป็นปฏิคานิมิตเนี่ยนะเพื่อที่จะรักษาอิะนทรีสังบอได้อ่นวิธีการที่จะทำให้เราไม่ใส่ใจในสิ่งนั้นโดย ปฏิฆาณิมิตก็คือข้อแรกนึกถึงโอวาทพระศาสดานะนึกถึงโอวาทพระศาสดาใครนึกถึงโอวาทได้มากขนาดไหนคนนั้นก็รักษาอินทร์สังวรเป็นต้นได้มากเท่านั้นแหละอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองอส่วนใหญ่เราโกรธนี่ก็คือโกรธคนใช่ไหมว่าข้อที่สองก็บอกเขาก็น่าจะมีดีบ้างทำไมเราไม่คิดถึงความดีนั้นๆที่มีอยู่ในตัวของเขาเลยล่ะก็คือ หาความดีสักอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในในในคนคนนั้นข้อต่อไปว่าไงนะกุสโลบายสิบประการก็คือนะหาหาวิธีที่จะสอนใจเราสอนใจของเราให้ได้คือท่านยกตัวอย่างให้มานะในสิบข้อเนี่ยนะถ้าคนที่ มีความสามารถเนี่ยนะก็อาจจะหาได้มากกว่านั้นคิดดูนะเวลาเราสอนลูกใช่ไหมบางคนเนี่ยหูสอนลูกไม่รู้หาคํามาจากไหนไม่รู้พูดได้ตั้งย้อนจริงๆเลยนะแตาสอนตัวเองได้อย่างนั้นเมื่อไหร่ก็สบายแนย่นั่นแหละแนะนำแบบนั้นแหล ะ, ะกูสโลโบาย10ประการก็คือการแนะนํำใจสอนตัวเองนั่นเองวิธีที่สี่ก็คือพิจารณาเรื่องเรื่องกรรมเอาเรื่องกรรมมาคิดนะว่าเออถ้าเราโกรธเป็นต้นเหล่านี้เนี่ย ทำให้บรรลุคุณธรรมอะไรสักอย่างได้ไหมนะเออแล้วคนอื่นเขาโกรธเขาเขาได้ดียังไงบ้างนะก็เอาเรื่องนี้มาคิดพิจาจรจากัรคิดต่างกันไหมก็ม <c oughs> แล้วแต่ยกอะไรเป็นประธานนะว่าจิตเจตสิกเกิดร่วมกันนะแถวนั้นแหละใช้วิจารวิจารเจตสิกก็ได้อสติเจตสิกก็ได้สัญญาเจตสิกก็ได้นะในดวงเดียว ก, กันนั่นแหละแล้วแต่จะยกอะไรขึ้นเป็นประธานใช่ไหม ยกสัญญาเจตสิกก็ได้หรือยกปัญญาเจตสิกก็ได้เขาฉลาดจริงๆเขาสามารถคิดได้อย่างนี้ก็ได้นะแต่ก็คือให้เน้นที่กุศลจิตนั่นเองทีนี้วิธีที่ห้าวิธีที่ห้านะถ้าใครที่เจริญพุทธานุส ต, ติอยู่แล้วนะจะเจริญไม่ยากนะวิธีนี้ก็คือระลึกถึงบุพะเจริยาของพระศาสดานะเจริยาคําว่าเจริยาก็คืออะไร จริยานั้นหมายถึงบารมีนั่นเองนะจริยาหมายถึงบารมีที่พระองค์ได้ทรงบาเพ็ญสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์ไปทำอะไรบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องของขันติบารมีและเมตตาบารมีของพระพุทธเจ้านั่นเองนื่งถึงพระพุทธคุณในในแง่นี้อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนหนึ่ง ปณิธานาโตปถ่ายะพระพุทธเจ้าเนี่ยจำเดิมแต่ทรงมีพระปณิธานปณิธานก็คือการตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วพระองค์นี้ทรงบำเพ็ญบารมี10ประการอุปบา ร, รมี10ประการปรมาภบารมี10ประการแลกะก็ปัญจมหาปริจาคบริจาค5อย่างมีมพระบริจาคหอยา่างทรงบำเพ็ญพุทธจริยา ยาตัฐธเจริยาโลกัตทะเจริยาใช้เวลาตลอดระยะเวลาสี่อสงไขเศษแสนกับเป็นต้นเนี่ยนะในระหว่างนั้นเนี่ยบารมีอะไรหรือกุศลใดที่พระองค์ไม่เคยทำไม่มีเราก็สามารถที่จะเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งนะชีวิตในสังสารวัฏของพระองค์ที่ที่เป็นไปจุติปฏิสนที่จากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งเนี่ยนะกว่าจะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็หา ชาดกเป็นต้นนั่นเองมาคิดเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนให้เรานี้ไม่โกรธนะได้หรือถึงโกรธบางอย่างเนี่ยอย่างบางท่านเนี่ยนะก็บอกว่าถึงเราโกรธเราก็ไม่พูดเหมือนกันอย่างเช่นผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่บางอย่างเนี่ยต้องอยู่ในฐานะที่จะต้องวินิจฉัยคดีวินิจฉัยงานบางงานหรือคุยกับคนบางคนเนี่ยนะถ้าขณะนั้นใจเรายังเป็นอัคติก็เลื่อนเวลาก่อนนะยกตัวอย่างพระโพธิสัตว์ท่านเลื่อนเวลา ท่านบอกว่าช่วงนี้ท่านไม่พูดเรื่องนี้นะไม่พูดถึงเรื่องนี้เด็ดขาดเลยจนเมื่อใจท่านเป็นปกติแล้วนะช่างใจได้เป็นปกติแล้วท่านจึงหยิบเรื่องนั้นมามาคิดมาพูดนะอันนี้ก็ทำให้ให้เห็นตัวอย่างที่ว่าจะระงับแทนที่จะเป็นวจีทุจริตก็โกรธแต่ก็ไม่ถึงกับร่วงวจีทุจริตแต่ทีนี้ทํายังไงจะไม่ให้มโนทุจริตเกิดขึ้นก็ด้วยการตามระลึกนึกถึงชาดกนั่นเองนะ ในส่วนข้อวิธีที่5ก็คือเน้นที่การนึกถึงชาดกนะใครจําชาดกว่าได้เยอะก็สา ม, มารถที่จะมาเป็นอุบายสอนใจา ย, ยามที่โกรธได้เพราะฉะนั้นในทั้งนี้ท่านก็ยกตัวอย่างชาดกมาคร่าวๆประมาณหกเจ็ดแปดชาดกนะคร่าวๆนะซึ่งในที่นี้ยังไม่ได้เน้นการกล่าวถึงชาดกมากนัก น, นะแต่ว่าจะมาอ่านให้ฟังคร่าวๆกว่อน ก็ถ้าหากว่าเมื่อเธอพิจารณาแม้ภาวะที่ศา์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนอยู่อย่างนี้ปฏิฆะก็ยังสงบมิได้สายเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอควรพิจารณาบุพะเจริยาคุณของภาษาสดาอ่าก็คือคุณความดีที่ภาษาสดาทรงประพฤติในการก่อนอเพราะว่าคนที่มีความเคารพในภาษาสดาเนี่ยนะนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ความโกรธก็จะลดลงไปนะ บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านมากกว่าเราเยอะท่านก็ยังไม่เห็นเป็นรายเลยท่านก็ยังทําใจได้เราก็ชีวิตยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นทําไมจึงตีโพยตีพายกันเลือกเกินคนแขนขาดนะแต่เราเป็นสิวเนี่ยเราจะทุกกว่าเขาเลือกเกินเหมือนกันเถอะดังนั้นเรก็จะทําให้เราเนี่ยลดความเครียดความโกรธเหล่านั้นลงไปได้ต่อไปนี้เป็นนัยยะแห่งการพิจารณาในบุพพจริยาคุณนั้นก็คือพิจารณาว่า แน่ท่านบนรรพชิตผู้เจริญนะยกตัวอย่างว่ายกพระนะเราก็พูดกับเราดีๆก็ได้เนาะแนะ่ท่านสมบัติผู้เจริญอย่างนี้มาระศาสดาของเจ้าก่อนแต่การตรัสรู้แม้ยังเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้เมื่อทรงกระทำพระบรารมีให้เต็มเตียมตลอดสี่อสงไขยและแสนกับก็มิได้ทรงทาจิตให้ปทุสร้ายในศัตรู แม้ปลงพระชนในชาตินั้นนั้นไม่ใช่หรือนะขนาดพระองค์เนี่ยถูกฆ่าพระองค์ยังไม่โกรธเลยอ่ะนะในชาตินั้นๆก็ถามว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะก็ทางก็ยกตัวอย่างมาให้ดูพอเป็นตัวอย่างอย่างยกตัวอย่างสีละวะชาดกเพิ่งทราบเรื่องในสีละวะชาดกก่อนว่าพระเจ้าสีระวะโพธิสัตว์เนี่ยเขาเป็นพระราชา เมื่อพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์ที่อํา์ชั่วประทุษร้ายต่อพระเทวีของพระ อ, องค์คื อ, อพระราชาเนี่ยนะมีมาเหสีใช่ไหมอ მ า์กับมเหสีนี่ก็ ah คิดเอากันแล้วก็ น, นะก็ถูกยุยงก็นำเอามายึดราชาสมบัติในตลอดพื้นที่สามรอยยอดก็ยังไม่ยอมให้อมา์ทั้งหลายผู้ลุกฮือขึ้นเพื่อจะป้องกันจับต้องแม้อวุธ น, นะ คืออํมมาศที่ตัวเองชุบเลี้ยงดูไว้เนี่ยนะมาประพฤติไม่ดีไม่ชอบกับมเหสีตอนหลังก็ห น, นีไปพึ่งพระราชาองค์อื่นแล้วก็ไปเชิญพระราชาองค์อื่นเนี่ยนะมามามาชิงราชาสมบัติแล้วก็พวกอํมมาศในบ้านเมืองก็เตรียมที่จะลุกต่อสู้พระโพธิสัตว์ก็ทรงห้ามเอาไว้ทีนี้ตอนหลังอีกครั้งหนึ่งก็ทรงถูกเขาขุดดินเนี่ยนะลึกแค่คอ คือเขาจับได้ก็เอาไปฝังในป่าชา้าผีเด็บเนี่ยนะฝังเสมอคอเลย <c oughs> <c oughs> พร้อมกับอมัดหนึ่งพคนก็ไม่ทรงกระทาแม้เพียงความประทุสร้ายแห่งจิตแนั้นท่านไม่นึกโกรธเลยนะนขนาดฝังฝังเสมอคอเนี่ยนะท่านไม่นึกโกรธคนฝังเลยนะทรงอาศัยการขุดคุยดินแห่งสุนัขจิ้งจอกที่มาเพื่อจะกัดกินซากศพนะการทำของบุรุษ ก็ส่งได้ชีวิตกลับคืนมาคือเวลาสุนัขจิ้งจอกเนี่ยนะมามาคุยดินอะ่ะเตรียมจะกัดจะกัดกินเนี่ยนะปลาชาก็อาศัยเอาคอเอาหัวนี่นะกดหัวศีรษบนะเงยขึ้นก็เอาหัวคางเนี่ยกดหัวสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกก็คุยดินใหญ่เลยนะพอคุยดินก็ลุกขึ้นได้ลุกขึ้นได้ก็แก้นะ ก, ก็ไปช่วยขุดพวกออมมาตทั้งหลายยักษ์ก็เลยนําเข้าไปส่งในในพระราชวัง เข้าไปก็ไม่ได้ฆ่าศัตรูอะไรหรอกนะพระราชาผู้เป็นข้าศึกนี่นอนอยู่บนพระแท่นบรรทมแล้วก็มิได้ทรงกระทําความขัดเคืองเลยกลับทรงกระทําสบถสาบานกันและกันกับพระราชาผู้เป็นศัตรูนะขอเป็นเพื่อนกันนะไปถึงเห็นศัตรูนี่นอนอยู่ข้างบนนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ฆ่าเลยนะก็ไปปลุกมาคุยกันดีๆนี่แหละเสร็จแล้วก็ถึงจับมือกันเป็นสหายรักกันเลย แล้วตั้งพระราชานั้นไว้ในฐานะมิตรแล้วตรัสว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงหวังอยู่ร่ำไปเถิดอย่าพึงเบื่อหน่ายเสียเราได้เห็นตนเองได้กลับดำรงอยู่ในราชสมบัติตามเดิมว่าเราปรารถนาแล้วโดยประการใดเราก็ได้เป็นแล้วโดยประการนั้นนะงนั้นในเรื่องนี้ก็สามารถหารายละเอียดพิสดารได้ใน ชาดกนะว่าสมัยก่อนที่พระองค์ยังทรงบำเพ็ญพระบารมีอยู่นี้ขนาดเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้ท่านยังไม่โกรธเลยนะเสียบ้านเสียเมืองเสียมเหสีเสียไปตั้งหลายเรื่องท่านก็ไม่ได้นึกแทนเครืองอะไรในใจเลยนี่ก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งของพระองค์ท่านที่อยู่ในโลกแต่ก็ไม่ติดโลกเพราะงั้นคือพระคุณในข้อก็บอกว่าที่ต้องทนอยู่ในโลกเพราะคุณข้อไหนเพราะการุณาคุณแต่พระองค์ไม่ติดในโลกเพราะปัญญาที่คุณ ะนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะขันติวาทีชาดกซึ่งเคยได้ยินกันบ่อยแล้วอย่างในขันติวาทีชาดกพระโพ ธ, ธิสัตว์ผู้เป็นตาบทเมื่อถูกพระราชาแห่งแควนกาสีผู้สามปัญญาตรัสถามว่เาเฮ้ยสมนะัมณะตัวแกเนี่ยมักกล่าวถึงอะไรนะก็ตอบว่าอาตมาภาพชื่อว่าขันติวาทีว่าไวาทีก็คือกล่าวบ่อยๆนะกล่าวบ่อยๆถึงขันติ ดังนี้เมื่อพระราชารับสั่งให้เพชรฆาตนะให้แท่ไหวมีน้ำเนี่ยโบยน่าจะใช้นะใช้แท้ไหวเนี่ยโบยแล้วก็ตัดมือตัดเท้าก็ไม่กระทําแม้เพียงความขุนเคืองนะขนาดอัมบาตนี่นะไปขอโทษขอโพยบอกว่าเออขอให้พระราชามีความสุขเถอะนะยังให้พรพระราชามีความสุขอีกนะทั้งทั้งที่ถูกตัดหูตัดจมูกตัด แขนตัดเท้าเนี่ยนะแล้วก็พระราชายังเอาส้นเท้าเนี่ยกระทุ้งอกอีกก็ยังอวยพรให้พระราชามีความสุขอีกออนะไม่ได้ น, นึกโกรธเคืองอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะเขาบอกว่าข้อที่ดาบทซึ่งเป็นผู้ใหญ่เข้าถึงการบวชพึงกระทําได้อย่างนี้ไม่น่าอัศจรรย์นะว่า ง, งาั้นโอ้บวชแล้วใครก็ทําได้ว่า ง, งั้นบอกว่ายังก็บอกว่าเป็นเด็กก็ยังทําได้ว่างั้นอย่างยกตัวอย่างในจูลธรรมปาละชาดก พระโพธิสัตว์แม้ยังเป็นเด็กอ่อนนอนแบเบาะเมื่อพระชนนีพิราบรำพันอยู่อย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพแขนทั้งสองอันรูปไล้ด้วยน้ำอบไม้จันของธรรมปาระผู้เป็นทายาตแห่งแผ่นดินขาดไปเสียแล้วก็ชีวิตของหม่อมฉันก็จะดับไปด้วยคื อ, อพระเทวทัตเนี่ยนะมีอยู่ชาติหนึ่งเกิดเป็นพ่อของพระโพธิสัตว์ใช่มพอพ่ อ, พอ คือพระราชาเนี่ยนะพอได้ลูกธรรมปาละเนี่ยแม่ก็ไปดูเอาใจลูกมากไปหน่อยลืมเอาใจพระราชาพระราชานี่โกรธจัดเลยนะแม่เด็กคนนี้นี่แหละนะทำให้ไม่เหสีไม่มาดูแลตัวเนี่ยก็ทานไปโกรธเด็กเลยลูกตัวนั่นแหละนแต่ในที่นี้ด้วยอํานาจของเวรที่ผูกกันไว้เนี่ยนะผูกเวรไว้ก็ทําให้แม้แต่ลูกก็ยังไม่ชอบอะนะเห็นลูกยังไม่ชอบลูกเลยเพราะอดีตชาติผูกเวรไว้กับ พระโพธิสัตว์อ่ะเมื่อถูกพระราชาพระนามว่าพระเจ้ามหาปตาปะผู้เป็นพระชนกนะพ่อรับสั่งให้ตัดมือและเท้าทั้งสองเสียเหมือนตัดหน่อไม้แม้เท่านั้นแล้วก็ยังไม่พอพระไทยทรงมีพระบัญชา ว, ว่าเจ้าจงตัดสีสามันเสียดังนี้ตัดแขนลูกก็ยังไม่พอสั่งตัดหัวลูกอีกอยังเล็กๆเลยนะนอนแบเบาเนี่แหละนะโทษฐานที่แม่ไม่ไปเอาใจพระราชาและไปเลี้ยงดูลูกมาก Ue, คนอย่างนี้ก็มีนะว่าคนประเภทนี้มีอ่ะก็ทรงอธิษฐานการตั้งจิตมั่นเสมอว่าการบัดนี้นี้เป็นการสำหรับข่มจิตไว้ให้ดีของเจ้าดูก่อนธรรมปาละผู้เจริญบัดนี้เจ้าจงเป็นผู้มีจิตเสมอกันในบุคคล4ี่เหล่านี้คือในพระชนกผู้รับสั่งให้เขาตัดศีรษะในคนที่ตัดศีรษะในพระชนนีผู้กาลังคร่ำครวญอยู่และในตนเอง นะทำใจในคนสี่คนนี้ให้เสมอกันนะรักตัวเท่าไหรก็รักพ่อเท่านั้นรักพ่อเท่าไหร่ก็รักแม่เท่านั้นรักแม่เท่าไหร่ก็รักเพศจะขาดเท่านั้นในสี่คนเนี่ยทำความรักให้สม่าเสมอกันนะเสร็จแล้วลก็ถูกตัดคอก็ทำใจได้นะ<ช>แต่ก็ถ้าไม่ทำใจก็ไปอบายก็ตอนนั้นเงินนะเพราะว่าใกล้ใกล้จะจุติเต็มทีเนี่ยนะถ้าชาวนาจิตใกล้จะจุตินี้ถ้าเกิด เศร้าหมองก็ไปไม่ดีนะเพราะฉะนั้นแต่ท่านก็สามารถที่จะรักษากุศลเจตนาเอาไว้ได้เสมอเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นก็นตามแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นมนุษย์ทำได้อย่างนี้ก็ไม่น่าอัศจรรย์เสียทีเดียวเป็นคนยังทำได้เ น, นกเขาบอกว่าด้วยว่าแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานคือเป็นช้างช่ว่าฉับทันเนี่ยนะ บอกว่าช้างที่มีมีงานี่นะออกเป็นสีออกเป็นรังสีเนี่ยนะมีรัศมีออกมาเนี่ยฉากก็คือหมายถึงรัศมีนั่นเองมีรัศมีหกอย่างถูกเข้าใช้ลูกสอนอาบยาพิษยิงเอาที่ท้องขนาดนั้นก็ยังไม่ทำจิตให้คิดประทุสร้ายในนายพรานผู้สร้างความชีพหายให้เหมือนอย่างที่ท่านกล่าวว่าช้างเพียบหนักเพราะลูกศรใหญ่แล้วก็หามีจิตคิดประทุสร้ายไม่ กล่าวกับนายพรานว่าเพื่อนเอ๋ยท่านฆ่าเราเพื่อประโยชน์อะไรหรือเพราะเหตุไรหรือว่านี้เป็นความพยายามของใครนะ <c oughs> ในชัทันตะชา ด, ดกนี้ก็กล่าวถึงพระช้างเนี่ยมี ม, มีมีช้างภรรยาเนี่ยนะสองเชือกเหมือนกันเนยไอ้ช้างที่เป็นเมียน้อยเนี่ยพยาบาทนะพยาบาทพระโพธิสัตว์นะทำบุญกับพระประเจรละอธิษฐานว่าขอให้สา ม, มารถฆ่าพระโพธิสัตว์ได้ ก็เลยอพอไปเป็นมเหสีของพระราชาพระเจ้าพารณสีก็เลยให้อาํามัดเกื้อดีตชาติของพระเทวทัศน์นั่นแหละไปฆ่าพระโพธิสัตว์นะคนที่ผูกเวรกันนะแต่พระโพธิสัตว์ท่านก็ไม่ได้มีจิตคิดผูกเวรตอบคืนต่อพระเทวทัศน์อะไรเลยขั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเมื่อในพรานตอบว่าท่านผู้เจริญเอย๋ยมเหสีของพระเจ้ากาสี ทรงส่งข้าพเจ้ามาเพื่อประโยชน์แก่งนาของท่านว่างั้นนะก็คือเมียน้อยในอดีตนั่นเองดังนี้แล้วก็ได้ทําความต้องการของพรานนั้นให้สําเร็จนะยอมให้ตัดงาทั้งสองของตนในพรานเนี่ยนะเข้าไปตัดงาบอกว่าตัดไม่ขาดช้างนี่เอาเอวงวงอีกข้างหนึ่งช่วยลากด้วยช่วยลากช่วยตัดด้วยเขาบอกว่า นะงา a ทั้งสองของตนซึ่งสวยงามน่ารักแวววาวเพราะประกอบแผ่ไปด้วยรัศมีมีพณะนะหกมอบให้นะมีสีหกอย่างนีออกเอาไปให้มเหสีเนี่ยนะที่จริงก็ยังรักรักพระโพ ธ, ธิสัตว์อยู่เหมือนกันทีนี้นะพอเห็นงาช้างเนี่ยนะใจขาดตายเลยก็บอกว่าอดีตชาติก็คืออดีตชาติของภิกษุณีรูปหนึ่งเนี่ยนะ พิษุณีรูปหนึ่งเนี่ยพอเห็นอพอเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวันแสดงธรรมอ่ะพอพอเห็นพระพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยนะหัวเราะเลยยิ้มเสร็จแล้วก็ร้องให้นะอ า, อาศัยเหตุการณ์ที่หัวเราะร้องให้เนี่ยนะคือพิษุนีรูปนี้ละเลิกชาติว่าเอ้ในอดีตชาติเนี่ยนะเราเคยได้เป็นภรรยาของคนนี้หรือเปล่านะคือเคยได้เป็นคนรับใช้พระพระพุทธเจ้าไหมในอดีตชาติ ก็ระ ล, ลึกชาติได้ว่าเคยเป็นมเหสีแล้วก็นึกต่อไปแล้วเคยทำความเสียหายอะไรให้แก่พระพุทธเจ้าบางเรือเปล่าก็ระ ล, ลึกชาได้ว่าเป็นมเหสีแล้วสั่งให้ฆ่านี่แหละสั่งให้ไปตัดงา ม, มาก็เลยร้องให้บบหัวร้องเสร็จแล้วก็ร้องให้พุทธเจ้าก็อาศัยเหตุนี้แล้วก็ตรัสชาดกเรื่องนีนน้ขนาดว่าเป็นช้างะนะเข้ามาฆ่าเอางวงก็ตัดให้เลยเหมือนถอนฟันให้เลยนะ จริงอ่ะงาก็ทันตะนั่นเองนะเห็นไหมทันตะก็แปลว่าถ้าช้างเนี่ยเขาไม่เรียกว่าฟันใช่ไหมเขาเรียกว่างาแต่ก็มาจากศัพท์เดียวกันก็คือทันตะเหมือนกันนะไม่โดยศัพท์ไม่ต่างกันแต่ช้างแปลว่าฟันช้างนี่ได้ยังไงนะงาเนี่ไม่รู้เอาไปเคี้ยวอะไรได้ก็เลยแปลคนไทยก็ใช้ศัพท์งาแต่บาลีใช้อันเดียวกันเออเคี้ยวเนาะเจนพรตรกูลตะกูลฟันเหมือนกันมันบาลีใช้ศัพท์ว่าทันตะ อีกชาติหนึ่งนะเป็นกระบี่กระบี่ในที่นี้ก็คือลิงนั่นเองเมื่อถูกคนที่ตนนั่นเองฉุดขึ้นจากเหวอย่างนี้กนะ็คือมีนายพรานคนหนึ่งเนี่ยนะขึ้นไปกินผลไม้แล้วก็พลัดตกลงไปในเหวนะก็ร้องให้นะตกไปล้าวันก็ร้องให้ลิงเนี่ยก็สงสารได้ ย, ยินเสียงร้องให้ก็ไปถามถามแล้วก็ ช่วยฉุดเขาเนี่ยขึ้นมาข้างบนนะพอเอาเขาขึ้นมาเสร็จแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ขอนอนพักว่าช่วยดูแลข้าพเจ้าหน่อยนะข้าพเจ้าขอนอนพักหน่อยไอ้ในพรานคนนี้เนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะลิงนี่มันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เป็น อ, อาหารของคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฆ่าลิงตัวนี้นะเราก็จะมีเนื้อกินเสร็จแล้วก็ยังมีสเสบียงเดินทางกลับได้ก็เลย ก้อนหินเนี่ยไปทุบหัวลิงทีนี้ความที่ตัวเองไม่อดข้าวมาหลายวันใช่ไหมมันก็เหนื่อยมันก็ยกก้อนหินแล้วก็ทุบได้ไม่เต็มที่ก็เลยลิงไม่ตายพอลิงไม่ตายลิงก็บอกว่าอ่นะคือนายพรานนี้เขาก็คิดว่าลิงนี้ก็เป็นอาหารของมนุษย์ได้เช่นเดียวกับเนื้ออื่นๆทั้งหลายในป่านั่นแหละอยากกันนั้นเลยเราพึงฆ่าลิงนี้กินแก้หิวเถิดอันหนึ่งเราอิ่มแล้วจกถือเอาเนื้อไปเป็นสเสบียงเดินทางข้ามที่กันดา n เราจะมีสเสบียงละ ดังนี้แล้วก็ยกก้อนหินขึ้นทุ่มกระม่อมของกระบิคือลิงอ่ะนะลิงนั้นมีใ น, ม, ในมีในตาอาบด้วยน้ำตาคลอเบ้ามองดูบุุษนั้นแล้วกล่าวกับเขาว่าท่านผู้เจริญผู้เป็นนายของเราเอ๋ยท่านอย่าได้กระทำกรรมเช่นนี้เลยตัวท่านเสก็ชื่อว่าเป็นผู้มีอายุยืนควรที่จะห้ามคนอื่นเขาะนะแทนที่จะช่วยดูแลการกลับมาฆ่ากันซะอีกองก็ทั้งน้าตาอาบหน้านั่นแหละ ก็เลยกระโดดขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ทีนี้พญาลิงเนี่ยก็ยังสงสารานะนะไม่ได้มีจิตคิดประทุสร้ายเลยในบุรุษนั้นไม่ได้คิดถึงทุกข์ของตนเลยยังพาบุรุษนั้นนั่นแหละไปจนถึงภูมิประเทศที่ปลอดภยัยนะนายในพรานคนนี้พอไปถึงภูมิประเทศแล้วก็ตอนหลังกลายเป็นคนโรคเรือนเลยเป็นเหมือนมนุษย์เปรตเลยนะเป็นโรคเรือนเนี่ย มีมแมลงวันเนี่ยตอเหมือนกับสุปาปพุทธกุฏินั่นแหละนะพระราชาก็เลยถามว่าไปทํากรรมอะไรมาว่งงางั้นเถอะทำไมจึงได้เป็นลักษณะนี้ในพรานก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่ไปทํากับผู้มีคุณอย่างนี้แหละให้ฟังว่งงางัา้นทําให้เห็นพระคุณของพระองค์ว่าขนาดไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะไปช่วยเขาเขายังเอาคืนก็ยังไม่ได้นึกโกรธใช่ไหมอันนั้นก็เป็นบุพเพจริยาอย่างหนึ่ง ที่พระองค์นี้ต้องทนอยู่ในโลกนะถ้านึกถึงเมื่อเสียสงไขยที่แล้วนะถ้าจะบรรลุก็บรรลุไปแล้วแต่ว่าชีวิตที่เหลือก็เพื่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายนั่นแหละอาศัยกรุณาก็ต้องทำให้ทนอยู่ต่อไปแต่เพราะปัญญานั่นแหละทำให้ไม่ถือโทษอะไรสักอย่างไม่ยึดติดสักอย่างสามารถที่จะทำได้ทั้งหมดเลยนะเพื่อที่จะบาเพ็ญบารมีให้บรรลุเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้า ทีนี้เราก็คิดอีกในย่านหนึ่งะนะเหมือนกับคนที่มีพ่อมีแม่นะีหรือพ่อแม่ที่ทำงานเพื่อที่จะช่วยลูกกันนะทำงานอาบเหงือ่อยตางน้ำเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็ไม่นึกบน่นสักคำเลยนะเขาก็ทำได้ใช่ไหมเพื่อลูกอ่ะอันคนที่เขาบำเพ็ญบารมีลักษณะนี้ก็เหมือนกันถึงจะทุกข์ขนาดไหนเขาก็ต้องทําต่อไปอะนะเพราะเขามองเห็นว่าถ้าทําเสร็จแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะพ้นจากกองทุกข์ได้อันนี้เป็นลิงนะ ถ้าหากว่าเป็นนาคเป็นงูบ้างอ่ะกําเนิดกําเนิดเป็นน้าเป็นงูเนี่ยนะว่าพระโพธิสัตว์นั้นเป็นพญา น, นาคชื่อว่าภูริทัตตนะอธิฐานอุโบสถแล้วก็นอนขดอยู่บนจอมเปลวกแม้เมื่อถูกพรามณ์ชื่อว่าอารามพานใช้ยาอันร้อนเหมือนไฟประลายกันราดรถไปทั่วตัวนะจับใส่หีบนําให้เล่นแสดงให้คนดูนะเอาไปเล่นกล น, นะนะก็เหมือนกันเล่นกลงูอะ่ะ อ่าประเทศไทยเรานี่มีบ่อยนะสมัยที่อยู่กรุงเทพนี่จะเห็นบ่อยๆเลยอ น, นเอางูมาเล่นกลอ่ะนะก็เล่นระบำงูแบบนี้อั น, น้เขาก็พาไปทั่วชมพูทวีปก็ไม่ได้ทำแม้เพียงจิตคิดประทุสร้ายในพรามนั้นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าเมื่อพรามอลำพานแม้จะเปาใส่หีบและแม้กระทืเปาด้วยส้นเท้าเราก็ไม่โกรธเพราะกลัวศีลของเราจะขาด น, นะพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นงูแล้วสมาทานอุโบสถรักษาศีลแปดนะเขาเห็นงูตัวใหญ่เนี่ยเผือกด้วยก็เลยจับเอาไปเล่นกลเลยเขาให้แสดงยังไงก็แสดงไปหมดไม่คิดโกรธเลยรักษาศีลเนี่ยนะห่วงศีลกลัวศีลจะขาดตรงนี้ท่านก็บอกว่านี่เป็นศีลแลปรมัทธปรมีของท่านเพราะว่าเขาเขารักศีลมากอ น, นะเพราะเพราะว่าผู้ที่สมมาทานศีลอันนี้ก็เขาจะตั้งใจงไว้ตั้งกระต้นแล้วว่า แม่ที่มีลูกคนเดียวเนี่ยนะจะทะนุถนอมลูกห่วงแหนฉันใดหรือคนที่มีในตาข้างเดียวอาจจะดูแลห่วงแหนลูกหรือว่านกนกต้อยตีวิตเนี่ยนะเขาบอกว่าหวงไข่มากหรือว่าจามารีรักษาขนหางชันใดอย่างนั้นผู้ที่สมาทานรักษาศีลเขาก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะยอมเสียทุกอย่างเนี่ยเพื่อรักษากุศลแลเจตนาอันนั้นเอาไว้นะศีลก็คือ กุศลเจตนานั่นแหละนะก็เหมือนกับแม่ของพระโสน ก, กุติกนะใช่ไหมอ่าจะขอฟังธรรมจากลูกชายเนี่ยนะจนถึงก็รู้ว่าโจนเนี่ยมักปล้นบ้านอะ่ะก็บอกว่า อ, อยากได้อะไรก็ค้นไปเถอะวันนี้จะฟังธรรมก่อนเหมือนกันน่ยคือรักษาเจตนาไว้ในลักษณะนั้นน่ะสามัคที่เขาจะรักษากุศลเจตนาให้ให้สืบเนื่องยาวต่อไปได้นะผู้ที่รักษากุศลศีลก็เหมือนกันเพราะศีล น, นี่เป็นเป็นกุศล ทางกายถึงจะเป็นอย่างอื่นแต่เจตนาก็ไม่เปลี่ยนไป อ, อีกอีกเรื่องหนึ่งนะจำปะยะชาดกเนื้อหาก็คล้ายๆกับในภูริทตาชาดกนั่นแหละพระโพธิสัตว์แม้เป็นพญานาคชื่อว่าจำปะยะถูกหมองูเนี่ยข่มเหงเอาก็ไม่ได้ทำแม้เพียงจิตคิดประทุสร้ายให้เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าแม้ในการครั้งนั้นหมองูได้จับเราผู้ประพฤติธธ ร, รม อยู่จำอุโบสถไปแสดงอยู่ที่ประตูวังหมองูนั้นคิดถึงสีใดนะสีเขียวหรือสีเหลืองหรือแดงเราเมื่อจะคล้อยตามความคิดของเขาจึงเนรมิตตนเป็นผู้มีรมัศมีมีสีดังที่เขาคิดเขาคิดจะให้เราเป็นสีอะไรก็ยอมไม่ยอมโกรธนะถ้าโกรธแค่ลืมตาเนี่ยนะเป็นผงหมดเลย น, นะเขาเขามีฤทธิ์ขนาดนั้นเขาเป็นอ่าเป็นนาคราศ น, นะเขาเป็นนาคราชเนี่ย ด้วยอำนาจเดชของเขาที่มีอยู่เนี่ยนะบุญยริศบางอย่างเนี่ยแค่ลืมตามมองด้วยอำนาจโทสะท่านั้นเองเนี่ยมันเป็นผงไปเลย ท, ทันทีแต่เขาก็รักษาศีลของเขาอะนะกลัวที่จะมองด้วยความโกรธเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพึงทำบกให้เป็นน้ำก็ได้พึงทาน้าให้เป็นบกก็ได้ถ้าหากว่าเราพึงโกรธต่อเขาเราพึงทำเขาให้เป็นขี้เท่าไปในชั่วครู่ก็ได้ถ้าหากเราผู้มีอำนาจแห่งจิต พึงเบียดเบียนเขาไซเราจับเสื่อมจากศีลเมื่อเราเสื่อมจากศีลแล้วจะไม่สําเร็จประโยชน์ที่สูงสุดใช่ไหมประโยชน์ที่สูงสุดที่นี้คืออะไรถ้าเราโกรธแล้วสัมมาสัมโพธิญาณเราจะเป็นไปได้อย่างไรนะยอมนะออมันนะเออจะเสียบ้งางก็ไม่เป็นไรยอมเสียเนื้อเสียเลือดเขาบอกว่าถ้ารักษาศีลธรรมดาเขาเรียกว่าศีลถ้ารักษาศีลถึงกับยอมเสียอวัยวะเขาเรียกว่าศีลอุปปารามี ถึงกับยอมเสียชีวิตเลยเพื่อที่จะรักษาศีลเอานั้นเอาไว้เรียกว่าศีลป a r a m a t t h a p a ยอมขนาดนั้นถ้าทานมีสามระดับใช่ไหมถ้าให้ข้าวของธรรมดาเรียกว่าทานบารมีถึงกับให้อวัยวะเป็นต้นไปเรียกว่าทานอุปปารมีถึงกับว่าให้ทานชีวิตให้ชีวิตเป็นทานได้เรียกว่าทานปารมั m a t t h a p นะถ้าไม่ทําขนาดนั้นก็ไม่ได้หรอกสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเป็นไปไม่ได้ นะก็ต้องสละขนาดนั้นนะจึงจะเป็นได้อีกเรื่องหนึ่งนะสังฆปาละชาดกก็คล้ายๆกันเลยนะเรื่องสามเรื่องเนี่ยคล้ายกันมากเป็นนากเหมือนกันทั้งคู่ถ้าโพธิสัตว์แม้เป็นพญา น, นาคเชื่อว่าสังฆปาละถูกบุรพราน16คนใช้หอกคมเนี่ยปักบนตัวตรงที่แดแหงนะก็คือแทงให้มันเป็นรูจะได้ร้อยเชือกได้นะ แล้วเอาถาวันเนี่ยมีหนามสอดเข้าไปทางปากแผลสนเชือกเหนียวเข้าที่จมูกจับใส่กระชูแล้วก็ลากไปร่างกายก็คลูดไปบนพื้นดินสเสวยทุกใหญ่หลวงแม้ว่าเป็นผู้สามารถที่จะทำบุตรพรานทั้งหมดให้เป็นขี้เท่าไปโดยเพียงแต่โกรธแล้วลืมตาดูเท่านั้น น, นะโอ้ใจทำไมท่านใจดีขนาดนั้นเนาะแต่ก็ไม่ได้แม้ เพียงอาการลืมตาขึ้นประทุษรายเหมือนอย่างที่กล่าวกับนายกองกเกวียนชื่อว่าอุลาระผู้ช่วยให้พ้นจากมือบุตรนายพรานคื อ, อบุตรนายพรานทั้ง16คนเนี่ยนะพอลากงูไปนี่ก็มีนายกองกเกวียนคนนี้ไปเห็นก็สงสารงูก็เลยขอซื้ อ, อ น, นะพอขอซื้อ ต, ตอนหลังเนี่ยงูนี่ก็เนรมิต เ, เ, เ, เ, เป็นพระหรือเป็นคนนี่แหละก็เลยได้คุยกันแล้วก็บอกว่าดูกนท่านอุลาระ ข้าพเจ้าอยู่อุโบสถตลอดวันขึ้น14บ่ค่ำตลอดวันขึ้น15้าค่ำเป็นนิดนะครถ้ามีคนถามว่าเหตุผลอะไรจะต้องขึ้นมารักษาอุโบสถให้เขาจับไปล่ะก็บอกเหตุผลว่ารักษาที่เมืองบาดาลไม่ได้นะแอบไปรักษาที่สวนเนื้อสนมกำนันเนี่ยเอากลองเอาพินไปดีดดีดศีลก็ขาดหมดก็เลยนะเข็ดเลยนะหลายครั้งเข้าเอ๊รักษาศีลก็ไม่เคยอยู่สักทีหนึ่งก็เลยขึ้นมาสมาทานศีลบนโลกมนุษย์นีนะนะ เป็นนาคไงเป็นนาคอยู่บาดาลเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งกันแต่นี้เข้าอยู่ในพวกสวนพวกอุทยานพวกอะไรนี่ยนะที่แรกๆก็ไปสมาทานอุโบสถใช่ไหมสนมกำนันไปมากๆเข้านะเสียตบะเรื่อยๆก็เลยขึ้นมาสมาทานบนโลกมนุษย์นี่ก็สมาทานในทางสี่แยกทางสี่แพร่งก็ไปเป็นพญา ง, งูเนี่ยนอนขดอยู่ นี้คนธรรมดาทั่วไปก็เห็นโอ้งูนี้อัศจรรย์นะก็เลยเอาดอกไม้ อ, อะไรมาบูชากันแต่ทีนี้นายพรานนี่ม่ด็คิดอย่างนั้นนี่ก็เลยทำอย่างที่ทำนี่แหละแต่ก็ไม่ไม่รู้สึกโกรธอะไรบอกว่าดูก่อนท่านอุลราระข้าพเจ้าอยู่อุโบสถตลอดวันขึ้น14บี่ค่ำตลอดวันขึ้น15บห้า่ำเป็นนิดต่อมาพวกบุตรนายพรานเนี่ยสิบหกคนมาพบเข้า พวกพราณ์นี้จับเชือกและบวงไว้มั่นสนเชือกเข้าจมูกแล้วก็ชักออกรุมกันจับตัวข้าพเจ้านาไปข้าพเจ้าอดกลั้นความทุกข์เห็นปานี้ไม่ทำอุโบสถให้กำเริบนะรักษาอุโบสถไว้อย่างนี้เพื่อที่จะนะสัมมาสัมโพธิญาณไงมันก็ต้องสละได้นะบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษารักษาอะไรเสียเงินเสียทองเพื่อรักษาวิญญาเอาไว้วเนาะนั่นแหละนะ เพราะว่าไอ้เงินทองก็คือของภายนอกนะถ้ารักษาอวัยวะได้เข้าของเงินทองก็พอหาต่อไปอีกได้แต่ก็บอกว่าพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเอาไวใช่ไหมยอมเสียแขนเสียขาบ้างไม่งั้นก็ตายเปล่าก็เด็วก็ต้องยอมเสียไปแต่บุคคลถ้าจะต้องรักษาธรรมก็ต้องยอมทั้งเสียทรัพย์ด้วยเสียอวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมะเอาไว้ธรรมะในที่นี้คืออะไรกุศลเจตนาของเรานะ ทำยังไงที่สามารถที่จะรักษากุศลเจตนาเหล่านั้นต่อไปได้ก็บอกว่าคนที่มองเห็นกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นอริยสัพย์จริงๆยังไงเขาก็ต้องรักษาเอาไว้ใช่ไหมเขามองเห็นว่าเลือดเนื้อเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลของบุญน่ะใช่ไหมถ้าหากว่าเราทําลายบุญซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งวิบากและกรรมชรูปเหล่านี้แล้วชีวิตมันก็น่าสงสารขนาดไหนนะเพราะวันนี้เดินคิดถึงเรื่องว่า ท่านกล่าวถึง เ, เกิดดับเนี่ยนะบาลีเกิดดับว่าไงนะย<ะ>เกิดว่างไงพวกการบาลีนี่เกิดว่างไงเกิดดับอะเกิดดับว่าไงสูตรมีอยู่ว่าการจาแม่นนะเกิดดับคุณโทษอุบายเครื่องสลัดออกนะคำรแรกแรกอะไรสมุทยังคะเนอะ ส, <า>สองอัังคมะสามอัสสาทะสี่ อาทีนวะแล้วก็นิสรณะนะห้าคนันนะ่ะสมุทัยังค่าคือความเกิดใช่อหมอความเกิดก็บอกหรือไอ้ส่วนใหญ่เราก็บอกเกิดดับอ่ะนะมาใช้สองคำหุ่นหุนเลยเกิดดับที่จริงเราถ้าบอกความเกิดยกตัวอย่างว่าอย่างเวทนาขันเนี่ยเกิดเพราะอะไรเกิดนะเพราะอาวิชชาเกิดนะเพราะอะไรอีกตันหาเพราะกรรม สมตัวนี้เป็นเป็นเหตุในอดีตเนี่ยน ะ, ะถ้าหากว่าผู้ที่ยังมีตันหาอาวิชากรรมปฏิสนธิในภพใหม่ไม่ต้องห่วงน ะ, ะชีวิตในภพนั้นจะอยู่ได้ก็อาศัยอะไรอีกรู ป, ปากายนะต้องทานอาหารเนา ะ, ะเพราะฉะนั้นไอเหตุเกิดในอดีตเนี่ยนะอวิชตาตันหาเป็นเหมือนกับแม่ใช่ไหมกรรมเป็นเหมือนกับพ่อที่ทําให้มาเกิด เกิดในภพนั้นๆั้นเนี่ยแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรในมหานิทานสูตรกล่ า, ถาวญญา 7, นะาถึงวิญญาณทิฏิดนะกล่าวถึงวิญญาณทิฏิดวิญญาณทิฏิจิตวิญญาณทิฏิเนี้ก็มีเหตุเกิดความดับมีอัาธามีอาทีนววะมีนิสระณะของพวกเรานี้ก็คือประเภทมีกายต่างกันและมีปฏิสนธิจิตที่แตกต่างกันมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกัน ในชีวิตเหล่านี้มีอะไรเป็นอัาธ า, ามีอะไรเป็นอารทินาวะมีอะไรเป็นสมุทัยังคะมีอะไรเป็นอัฐังคมมะมีอะไรเป็นนิสรณะนะก็อวิชาตันหากรรมนั่นแหละเป็นตัวที่ก่อให้เราเกิดขึ้นแล้วก็มีอาหารเป็นเหมือนกับผู้อุปธรรมให้อยู่ต่อไปนะแล้วก็คือตัวรูปขันธ์ที่ทรงไว้อย่างนี้อีกความดับละ่ะถ้าอาวิชาตันหากรรมหมดนะอันนี้ก็พร้อมที่จะ สลายเลยพร้อมที่จะแตกดับไปเลยนะถ้าหรือว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแต่ละเมื่อเนี่ยนะถ้าถูกตัดขาดนะเช่นน้ำเนี่ยนะถ้าท่านไม่ได้น้ําเข้าไปเนี่ยจะอยู่มีชีวิตอยู่ได้เท่าไหร่นะถ้ามีแต่น้ําไม่มีข้าวจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะก็จะเป็นไปตามนี้เพราะอาหารนี่เป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงประคับประคองไปนะรถที่มันวิ่งอยู่ได้ไม่หยุดไม่หย่อนทันทีก็เติมน้ามันไปตลอดไม่เลิกไม่เลิกเติมชีวิตของเราก็เติมอาหารให้ตลอด ถ้าอาหารเป็นต้นเหล่านั้นหมดนะสิ่งเหล่านี้ก็หมดด้วยแต่หมดแต่ก็ถ้ายังมีอ ส, สาธาอยู่นะยังทากรรมอยู่ยังเพลดิดเพลินในอารมณ์ต่างๆอยู่นะวิชาก็เกิดอีกเพราะไม่เห็นสัจจะใช่ไหมเมื่อไม่เห็นสาจาัจจะตัณหาก็เกิดกรรมก็เกิดเมื่อกรรมเกิดก็เท่ากับสร้างพบใหม่อยู่ตลอดอพบใหม่ที่จะสร้างเนี่ยดีหรือชั่วก็สุดแท้แต่กรรมหรือกรรมอยู่ที่ไหน ที่กำลังคิดคิดอยู่นี่แหละนะตอนคิดตอนนี้คิดแบบอุเบกขาเนี่ยนําเกิดชาติหน้าครึมเลยนะเน อ, อคิดตอนนี้เป็นญาณสัมบยุศชาติหน้าก็ฉลาดเงินคิดชาตินี้ซึมซึมชาติหน้าก็อาจจะซึมซึมไปด้วยเออทาเหตุตอนนี้แหละเนะนั่นแหละถามว่าชาติหน้าเราจะเป็นยังไงก็ดูเจตนาตอนนี้คิดอะไรนั่นแหละคล้ายๆกันนั่นแหละเพราะว่าจิตชาติวิบากเหมือนอะไรเหมือนเงาว่างั้นเถอะตัวจริงเป็นยังไงเงาก็จะคล้ายๆแบบนั้นแหละ มันถ้ายังผู้ที่ยังไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะกรรมที่จะเป็นเหตุนําเกิดในภพใหม่ก็สุดแท้แต่เจตนาที่ล่วงมาทางกายทางวาจาและทางทางใจทีนี้ถ้าเขามองเห็นว่ากุศลศีลเหล่านี้เนี่ยเป็นทรัพย์นะชีวิตของเขาเนี่ยจะไปได้เพราะเจตนาเหล่านี้จะดีจะชั่วจะตกต่าจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกก็สุดแท้แต่เจตนาอันนี้เนี่ยเมื่อเขามองเห็นคุณค่าของเจตนานี้ s เขายอมเสียเลย นะเสียอย่างอื่นเพื่อรักษาเจตนาอันนี้เอาไว้นนะเพราะว่าชีวิตของศาตร์ทั้งหลายเกิดมาก็อย่างไรก็ตายแน่แต่ตายแบบคนไม่ตายก็คือตายแบบคนมีบุญน่ะนะเพื่อที่จะเกิดในภพใหม่ที่ดีต่อไปแต่ถ้าคนมีบาปอ่ะโอ้ชีวิตชาตินี้นะดูเหมือนกับรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ได้ถึงกับยอมฆ่าคนอื่นแต่ก็ทําเหตุที่ไม่ดีเอาไว้ชีวิตของเขาเป็นคนพานก็เหลือแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ถ้าตายไปแล้วใครจะไปช่วยได้ ไปบินว่อนหาเหยื่อกินมแมลงแล้วใครจะไปช่วยนะนะญาติทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าในนั้นมีญาติเรานะมีเพื่อนสนิทมีคนรักมีพ่อแม่มีครูมีอาจารย์มีอะไรก็ช่างถ้าไปเกิดไปบินว่อนแบบทั้งเค้าวอ่ะทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาก็ไม่ได้รับนะด้วยบุญนี้อุทิศให้หรือว่าอุปชาผู้เลิศคุณอาจารย์ผู้เกลื่อนโน้นทั้งพ่อแม่แรงปวงญาติมีสักอย่างเขารับไม่ได้สักอย่างอันพบที่จะรับได้ก็คือเปรต ที่เขาส่วนใหญ่แล้วเทวนาจะอนุโมทนาแต่ถ้าเปรตส่วนใหญ่เข า, เขาเหิวเขาไม่ได้ต้องการบุญอย่างอื่นก็ต้องการข้าวนะถ้าเขาเป็นสัตว์นรกเขาก็อยู่ด้วยกรรมของเขาถ้าอตา ม, มาเนี่ยนะลูกของชาติที่แล้วทําบุญในที่ส่วนกุศลให้ยังไงก็ไม่ได้รับ <c oughs> เออทังอารวัตมีไหมเกิดลูกเออนึกถึงคุณพ่อชาติไปยังไงก็ไม่รู้ทําบุญในที่ส่วนกุศลมาให้เลยเป็นมนุษย์อุทิศมาให้ก็รับไม่ได้ ถารับได้ก็มีของพิเศษพิเศษลอยมาให้เรื่อยอ่ะเห็นไหมญาติญาติชาติที่แล้วเขาทาบุญให้อย่างเงี้ยไม่ได้หรอกไปเกิดเป็นเทวดาก็อยู่ด้วยบุญของเขานั่นแหละอย่างมากก็เห็นเออดีใจด้วยนะอ่านะบุญประเภทอนุโมทนาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะอนุโมทนารับได้ก็คือพวกเปรตอย่างเดียวนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเราไม่สา ม, มารถรักษากุศลเจตนาไว้แล้วเนี่ยเราก็เท่ากับว่าเรานี่เป็นผู้ที่ทําลายชีวิตกับมือเราซะเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นชีวิตของเราที่ตกต่ํา นะในพบต่อๆไปเราก็น่าสงสารแต่ถ้าตกต่ำแบบข้างเค้าเนี่ยนะถึงจะมีพันล้านตัวนะจะมีธรรมะออกอากาศขนาดไหนก็ไม่ได้ยินแน่นอนนะไม่ได้รับฟังแน่ผู้การออกขนาดไหนก็ไม่ได้ฟังแน่นะนะนะเพราะฉะนั้นเขาจึงสา ม, มารถที่จะรักษากุศลศีลเหล่านี้เอาไว้ได้ถึงจะเจอเหตุการณ์ใดๆก็ยังรักษาใจไว้ได้นะใจนั่นแหละถ้าบุคคลสา ม, มารถที่จะรักษารักษาด้วยอะไร ด้วยอะไรนะใจนี้เอาอะไรมาเครื่องรักษาวันก่อนว่าไงนะพวกกันมันก่อนว่าไงรักษาอินรีห้าด้วยอินรีห้าใจนี้ก็ต้องอาศัยศรัทธานั่นแหละมาเป็นเครื่องรักษาอาศัยสตินั่นแหละเป็นเครื่องรักษานะถ้าอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องรักษาก็คือใจนั้นเป็นไปกับพระพุทธคุณเป็นต้นในขณะนั้นเราก็ชื่อรักษาใจด้วย ศรัทธานะถ้าหากว่ารักษาเป็นไปกัยกสีนเช่นอินทรีย์สังวรเห็นและใจไม่เป็นบาปเป็นต้นเนี่ยนะถ้าสามารถที่จะรักษาไว้ได้อันนี้ก็รักษาใจเลยนะเอาสติเป็นเครื่องรักษาถ้าใจมันเป็นบาปอะ่ะก็ต้องรักษาด้วยวิริยะต้องมั่นเจริญสัมมาประธานนะสังวรหนั่นเองนะเป็นเครื่องรักษาใจนะปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวร นะปัจญาสันนิสิตสินพวกนี้ก็คือด้วยอำนาจศรัท ธ, ธาด้วยอำนาจสติด้วยอำนาจวิริยะด้วยอำนาจอโทสนะนะด้วยอำนาจปัญญนะ า, าเหล่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นเครื่องรักษาใจแต่ถ้าใครไล่ถูกนะรักษาไม่ยากเลยเวทนาเป็นกุศลได้ไหมเป็นกุศลได้ไห ม, เ, ไไหมเวทนาเกิกเกกดกร่วมกับกุศลได้กี่ดวงนะเวทนาที่เป็นโสมนัตและอุเบขาเกิดร่วมกับ กุศลเออรักษาเวทนานั้นก็ได้ถ้าไม่รักษาเวทนานรักษาวิตกก็ได้อะรักษาสัญญาได้ไหมรักษามนุิการอ่านั่นแหละรักษาพวกนั้นแหละให้มันเป็นกุศลนะรักษาที่โมกให้เป็นไปกับนะศรัทธาที่โมกโขว่งงางกันศรัทธานี่พึ่งเห็นแบบอธิโมกอะ่ะนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือรักษาโสภณะเจตสิกนะถ้าจําชื่อได้ใ น, นแหละเอาตัวใดตัวหนึ่งในนั้นแหละมาเป็นประธานและเพื่อที่จะรักษา ใจเอาไว้นะรักษาด้วยววรตีก็ได้รักษาด้วยปรมัญญาก็ได้รักษาด้วยปัญญาก็ได้นะเจตสิกแต่ละอย่างแต่ละอย่างพยายามที่จะหารายละเอียดนะว่าเออภาษาถ้าเป็นกุศลเนี่ยจะเป็นอย่างไรเวทนาถ้าเป็นกุศลเนี่ยเป็นอย่างไรสัญญาเป็นกุศลเป็นอย่างไรนะเจตนาเป็นกุศลเป็นอย่างไรเอกคตาเป็นกุศลเป็นยังไงชีวิตตินซีย์เป็นกุศลเป็นยังไงก็เอาสิ่งเหล่านี้มาปาราเพื่อที่จะรักษาจ่ายของเราเอาไว้ นะถ้าผู้ที่รักษาใจก็ชื่อว่ารักษาทุกอย่างแล้วล่ะนะเนี่ยคือว่าถ้ารักษาวิตกให้เป็นกุศลได้ก็แสดงว่ารักษาใจให้เป็นกุศลได้เจริญพถูหมครับถ้ารักษาเวทนาให้ให้สามารถที่จะาเป็นอุเบกขาหรือเป็นโสมนัสก็ดีนี่นะครับถ้าจิตเป็นกุศลนะ ก็ให้รักษาต่อไปเจิญผ่อนเชิญผ่อนใช่ไหมรักษาให้ลักษณะที่เป็นรักษาเวทนาเห็นใช่ไหมรักษาเวทนานั่ะไว้แต่คงไม่รักษาที่มันเป็นโทมนัสหรือว่าไม่รักษาประเภทนั้นไว้แต่ก็บอกว่าโสมนัสควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีโทมนัสควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีอุเบคาควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีในในสกัปัญหาสูตรนะ กล่าวไว้อย่างนั้นแม้แต่โทมนัตเนี่ยนะที่เป็นไปกันเนคขมะบอกให้เจริญนะก็บางคนท่านก็บอกเอ๊ะมันก็โทมนัตมันก็เป็นโทสะเออโทสะเป็นไปกับเรื่องนี้ไม่ค่อยบาปมากหรอกมันนะแต่ถ้าโทสะเป็นไปกับเรื่องเอิดเนี่ยบาปเยอะก็น่าสนใจคือว่าทํารักษาเรื่องวิตตกทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าการตรึกไปในเรื่องพุทธคุณอย่างนี้ก็เป็นอันว่าอ่า สบายใจได้เจนพรเป็นพุทธานุสติด้วยนะเป็น<อ>สมถะเจนพรเป็นสมถะการนั้นว่ารักษาใจเจนพรใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสังวรอย่างหนึ่งนะในขณะที่จิตเป็นไปกับพุทธคุณเป็นต้นก็เป็นอินทรียสังวรด้วยนะแล้วก็การตรึกเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาประกอบปัญญาประกอบเหล่านั้นก็เป็นญาณสังวรนะถ้าหากว่าผู้ที่เจริญแบบนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามจึงจะเจริญได้อันนั้นก็เป็น วิริยะสังวร น, นะได้แต่สังวรตั้งหลายข้อนะขอให้เป็นกุศลเธอเอาชื่อมาแปะแปะแปะแปะใดเดี๋ยวเป็นอย่างอื่นหมดอีกแล้<ม>ใช่ไหมเจตนาก็จะเป็นเจตนาศีลเจตสิกก็เป็นเจตสิกศีล น, นะสังวรที่เจตสิกเหล่านั้นที่เกิดร่วมก็เรียกสังวรศีลเป็นได้หมดอะ่ะเชื่อมวิชาไหนมาก็ได้นะพราะมเป็นทั้งขันถ่ายยต น, นะนะแล้วแต่ว่าเอามาปรุงเป็นอะไรเท่านั้นเองไม่มีอะไรยากเท่ากับการรักษาจิตนี้นะ ไม่มีอะไรยากเท่ากับการรักษาจิตให้เป็นกุศลนี่แหละแจ่มพรถ้าผู้ใดรักษาได้แต่ผู้นั้นก็พระพุทธเจ้าทรงชมเชยมากเลยนะเจ่มพรแต่ถ้ามีสารณะแล้วนะก็รักษาไม่ยากนะเราจิตนะก็คือขอให้มีจิตมีที่พึ่งก่อนใช่ไหมขอให้ใจเรามีที่พึ่งก่อนที่พึ่งของเราคืออะไรนะพระพุทธคุณเป็นต้นนะะแสดงว่าพูดถ้าอย่างนี้แสดงว่าต้องไปจําพระพุทธคุณนั่นแหละนะจะได้มีที่พึ่งอนะ่ะ โ, โมทนาได้วนะ